็ารีเข้ามาก่อนเลยวันนี้วารีมามามีอะไรบ้างก็เพิ่มพยายามเพิ่มเวลานั่งสมาธิครับหลวงพ่อก็เวลานั่งสมาธิจิตเมื่อถึงพยายามสักพักหนึ่งเราควรพิจารณากายหรือพิจารณาจิตจิตก่อนครับให้ดำปัญจาให้มันนิ่งๆไปนานๆทำให้มันสงบไปนานเป็นชั่วโมงก่อนนะ แล้ <Okay. S 2> uh huh. วค่ะหัวมันยังไม่ทันไรนะที่จะนานะนั่นคนนอนหลับได้แค่ห้านาทีก็ปลุกขึ้นมาทํางานนะครับสมาธิเป็นการพักผ่อนจิตนะครับพ uh ัก huh. นานมันจะได้มีกําลังซึ่กับกิเลสไม่ได้เลยตอ uh huh. นนี้ไม่มีกําลังกิเลสบอกให้ทําอะไรนะี่อ่อนปวกเปียกไปหมดเลย uh huh. ครับเมันไม่ได้เลยครับ uh huh. เห็นเวลานั่งสมาธิยังไม่ต้อไปพิจารณานั่งให้มันนิ่งให้มันสงบไปนานๆหลายๆรอบครับช่วงนี้ปัญญายังไม่ต้องใช้แล้วไม่จาเปน็นใช้ไม่ได้แล้วเวลานั่งรู้สึกเออไงอ่ะมันก็รู้สึกออ ก, สก็สักสักแต่ว่ารู้สึกไปอย่างนั้นแล้วเราเข้ามาให้มันสงบให้มันเย็นให้มันสบาย ถ้ามันยังไม่สงบเต็มที่มันยังไม่มีความสุขให้มันสงบให้เต็มที่แล้วมันจะรู้สึกในความสุขแล้วการฟังธรรมที่ดีคือเราไม่จําเป็นว่าต้องจําเนื้อหาได้ได้แต่ให้ใจเรารู้สึกว่ากิเลสกระเทาะไปกับตามพระธรรมที่เทศนาได้อย่าง น, นใช่ไหมครับหลวงพ่อก็แล้วแต่จะฟังให้เกิดปัญญาก็ได้ฟังให้เกิดสติก็ได้ถ้าฟังให้ไดสติก็ฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่รับปิจารณตาม ถราอยางให้เกิดปัญญาต้องพิจารณาให้เข้าใจความหมายของธรรมที่ท่านแสดงอยู่ก็ทุกวันนี้ก็พยายามฟังธรรมมากขึ้นรู้สึกฟังว่าธรรมะ ข, ของแม้จะเทศเมื่อสามสิบปีที่แล้วห้าสิบปีที่แล้วมันก็สดใหม่อยู่เสมอเหมือนเกิดขึ้นณนปัจจุบันนี้ตลอดเลยครับหลวงพ่อมันไม่ใช่แค่ยี่สิบปีสาสิปีมันน้องสองพันหารอปีนะใช่ครับ อ, อากาลิโกอากาลิโกธรรมรัชาเป็นอากาลโก ไม่ไม่หมดสมัยไม่หมดยุคทันสมัยเสมอครับก็พยายามเพิ่มผมตอนนี้ผมก็พยายมเพิ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแบบเพิ่มขึ้นไปครับขอมากักแค่นี้ครับหลวงพ่อขอบพระคุณมากครับโอเคสาธุอาจารย์พรมพิรายสวัสดีสบายดีเหรอกรรมวัการพระอาจารย์ค่ะให้กรรมวัตรการค่ะสบายดีค่ะ อยู่ค่ะอยู่ค่ะฟังอยู่ด้วยกันค่ะวันนี้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์สวัสดีพระอาจารย์สวัสดีจ้จะเรียนถามเรื่องของทางโลกนิด น, นึงนะคะเนื่องจากว่าก็ได้พบเจอผู้คนอื่นที่มีคำว่าสงสารติดอยู่ในทางโลกตลอดเวลาแล้วก็สงสารนั้นเนี่ยในจิตของ ผู้คนทางโลกก็คิดว่านั่นคือการให้เมตตาให้ทั้งโลกนะคะนั้นจากสิ่งสงสารเหล่านี้เนี่ยเราอะ่ะในฐานะที่เราก็ปฏิบัติอยู่เนี่ยนะคะเราก็พอเข้าใจว่าเราควรทำยังไงนี่เราจะช่วยทำให้บุคคลเหล่านั้นหรือตัวเราเองในกระจ่างขึ้นนะะว่าเรื่องของสงสารเนี่ยเห็นอะไรก็สงสาร เห็นคนนั้นป่วยก็สงสารมันก็ทำให้จิตของบุคคลตกจะมาจิตก็ไม่สงบเหมือนมีทุกข์เราควรจะช่วยดำเนินการอย่างนั้นอย่างไรหรือแม้แต่ตัวเราเองนะคะเราต้องดำเนินการกับตัวเราก่อนทำจิตของเราให้อยู่เหนือสองสารได้ก่อนไม่งั้นเ ร, เราก็จะเราก็ยังแย่อยู่เราต้องเห็นแล้วเรา สงสารอยู่แต่เราไม่รู้สึกพดผูไม่รู้สึกเศร้าหมองสงสารแต่ก็สงสารด้วยปัญญาสงสารว่าเนี่ยคืออานิจจังทุขขานัาตานี่ปัญญาเนี้ยตรงนี้มีความเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสือ่อมเวลาเสื่อมก็น่าสมเพน่าสงสารจัง น่าทําอะไรได้ก็ทำไปช่วยหรือใครได้ก็ช่วยไปตามกําลังแต่จะไปแบกทั้คนทั้งโลกไม่ได้เราะตอนนี้เราไปช่วยเราเอาเงินมาสักกี่หมืนยนล้านมาแจกชาวบ้านเท่าไหร่ก็ไม่พอ ท, ทาไปตามกําลังของเราแต่อย่าไปเศร้าหมอเนีย่ยไปหมดภูเราเห็นด้วยปัญญาว่านี่คือโลกของสมมุติโลกของสงสาร สงสารวาดเนี่ยคําว่าสงสารไม่เข้ามาจากคําว่าสงสาระวัดนี่งโลกของการเรีนไหวา ย, ายเกิดโลกของการเกิดแก่เจ็บตายโลกของโลกกรรมแปดลาภยศและสารสุขมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ใจไม่หัวถูใจไม่รู้สึกอท้อถอยเศร้าเศร้าสุขเสียใจ แล้วก็ไม่ไม่ดูได้ช่วยได้ก็ช่วยก็ดูตามองเราของเร า, เราทั้งของเราและของผู้รับแลเขารับได้เท่าไหร่เราอยากจะให้เขามากๆแต่ช่วยเขาไม่ได้มากเป็นเขาไม่สบายอย่างเงี้ยจะอยากจะช่วยให้เขาหายรักษาไงมันก็ไม่หายก็ต้องลงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา เราเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่วุ่นวายไม่รู้สึกกระทบกระเทนใจเวลาเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราจะพลาสิ่งที่เสื่อมสิ่งที่ทุกขยากลงบากต่างๆแล้ย้อนมากับนีที่ดูที่ตัวเราด้วยาต่อไปเราก็เป็นเหมือนเขาเนะี่ยเม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน แต่เราสามารถอยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้ได้ถ้าเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติธรรมถึงขั้นวิปัสสนาได้เราก็จะปล่อยวางเรื่องของรางกายของเราได้เป็นอะไรก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแล้วไม่ว่ามันจะต้องสิ้นสุดวันใดวันหนี้งไม่ไปต่อรองไม่ไปอะไรทั้งนั้น ปล่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เราไปควบคุมมั ง, งคข้าไม่ได้ถ้าเราถ้เาเราปล่อยวางแล้วเราก็เฉยเฉยเฉยนะคะ<ม>ก็คือเหมือนวางเราก็ไม่ได้เป็นคนน่าเกลียดใช่ไหม <c oughs> ไม่เฉยเขาไม่รู้ว่าเราเฉยหรอกเราเร า, เราทำทํา <c oughs> ทำทา ท, ท, ท, ทำกิริยาเราทํา แต่ทางอารมณ์เราเฉยไปเลยนะอารณ์เราไม่เศร้าโศกเสียใจไม่วุ่นวายไม่อะไรทั้งนั้นดานกิริยาเราทําช่วยได้ก็ช่วยทำํำได้ก็ทําไปไม่ได้อยู่เฉยเฉยไปะแต่ใจไม่ได้ไปทุกข์ร้อนไปวุ่นวายกับสิ่งที่เราทําเหมือนหมอที่รักษาคนไข้หมอเขาก็ไม่ได้มัทุกข์กับคนไข้ใช่ไหมเขาก็รักษาไป คนไข้จะหายคนไข้จะตายมันเรื่องคนไข้่แต่หมอเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาไปนทําอย่างนั้นต้องแยกใจออกจากกิริยาของร่างกายกิรยาง่าร่างกายก็ทําไปตามหน้าที่แต่ใจไม่ได้ไปนัปกกหนับใจไปวุ่นวายไปกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ทำไม่ดีขึ้นได้ก็ดีทําให้ดีขึ้นไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราปล่อยวางจิตของเราใจของเราได้อย่างเนี้ยไปไเรื่อยช่มาศเราก็เราก็ไม่ทุกข์กก ต, ต่อไปเวลาเจ็บเจริงตัวเราเองเราก็ทําเหมือนกันค่ะเจริญร่างกายเรารมันเจ็บมันปวดเราก็ดูแลมันไปเราก็มีกิริยาดูแลมันไป ใ, ใจใจเราก็ให้เดือดร้อนไปกับความเจ็บไข้ในตัวของร่างกายเพรา ะ, ะมันก็เป็นเหมือนร่างกายของค น, นดือนที่เราพิจารณามาเป็นธรรมชาติมันไม่อยู่ไปยใต้การควบคุมบังคับของใครรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษามไาม่ไายก็ไปลองรักษาไปนะปล่อยให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมัน อยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้มันก็จบมันต้องจบไม่ช้าก็เร็วท่านจะไปยืดเป็นข็ได้เรายังไม่ยืดเป็นก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าท่านจะยืดชีวิตของท่านนั้นก็ยืดต่อไปได้ถ้ามีที่เกียวก็อยู่ยากแล้วอยู่มาพอแล้ว งานี่พระสงมีความปรารถนาที่จะทำเราทำสาเร็จทุกอย่างนะทั้งส่วนขององคเองทั้งส่วนของระาศ า, าสนาก็มาส่งสถาปนาศาสนาให้มั่นคงนะเป็นอริยสงสารเป็นจํานวนมากมายที่จะมาทำหน้าที่ต่อก็จะไม่มีการจะเป็นที่จะไปต้องไปยืครับการให้ร่างกายเป็นอย่างไป น, นานปล่อยนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ ได้ก็อยู่อยู่ไว้ได้ก็จบใจใจก็ไม่บุ่มบ่ายเวามาฝึกนี่ก็ฝึกให้เห็นใจรักแล้วเราใจเราจะไม่บุ่มบ่าดแต่เห็นใจรักแล้วก็ต้องไม่บุ่มายนัก็ต้องมีอยู่เบ็ดขาดต้องมีสมาต้องใจที่เป็นใจที่มีอยู่เบ็ดขาดเพราะเองว่ามันแป็น น, นาาัตตเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนฝนตกแดดออก จะไปทาอะไรกับฝนตกแดดเราไม่ได้เลยนะเขาตกของเขาแดดเขาก็ออกของเขาไปอาจจะไม่ชอบฝนมันจะไปสทำให้เขาหยุดก็ไม่ได้เราไม่ชอบแดดจะทำให้มันไม่ไม่ออกมาก็ไม่ได้มันด้แดดมันจะออกมันก็ฝนจะตกมันก็ตกคนจะตายมันก็ตายก็เป็นแบบนั้นอย่างเป็นธรรมชาติหมดไม่มีตัวตนเราไปยึดเป็นถือเองว่าเป็นตัวเราของเรา ถ้าสายแล้วเคยคุมมังคับมันได้มาเราก็เลยคิด่เราจะควบคุมบังคับมันได้ไปเรื่อยๆก็เหมือนพระอาจารย์เคยเคยเทศไว้หรือตอบคำถามไว้ว่าเจซราเซราตก็เป็นคำที่แบบได้ได้ได้ภูมิปัญญาเยอะแล้วค่ะภูมิปัญญาแท้จริงค่ะพอดีฝรั่งเขาก็มีปัญญาเหมือนกันนะ ใช่ whatever will be will be ก็แบบเขารู้ได้แต่เขาไม่มีอุเบกขาเขาก็ห้ามใจเขาไม่ได้เขาพยายามเล่มมุงต่อสู้ทุกวิถีทางแต่คนมีปัญญาแล้วก็มีอุเบกขาที่เกียบต่อสู้สู้ไปก็เหนื่อยกว่าผลก็ไม่เปลี่ยนแปลงผลก็แก่เจิบตายทำอย่างนี้ ข็อให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันโอเคนะขอบคุณค่ะขาอบคุณค่ะได้ตัดผมเราเส้นผมสั้นเรื่อกล้าผมเปล่าผมยาวมากไม่ได้ไปร้านตัดผมก็เลยต้องกล้าวต้องตัรวบไปแล้วอหนังกระติกตัดผมเองกําลังแจ้งคนข้างๆเป็นตัดแสดงว่าก้าวหน้าแล้วตัดผมได้ก้าวหน้า ปล่อยวางร่างกายได้ก็ปล่อยป่อยไว้อย่างเนี้แหละค่ะปีครึ่งนะครับมีช่างตัดผมอยู่ไม่ได้ไปรานตัดปีครึ่งเลยก็สมัยอยืมกองนอกก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ไปร้าก็ตัดกันเองได้อยากเงียต้องดูแลกันไปอย่างเนี้ยค่ะก็ปล่อยปล่อยสังขารไปค่ะตามนี้ค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ คุณหลอภาชนะอขออะไรขอนามสการพระอาจารย์ค่ะค่ะอสวัสดีคุณหมอคุณหลักดุจชาขอพระอาจารย์อันนี้มีคําถามสองข้อน ะ, ะพระอาจารย์ก็คือ mm hmm. ว่าอันแรกนะคะก็ระหว่างที่เ อ, อ ส, สงสัยเพราะว่าที่ที่แล้วะคะ่ะก็คือพยายามทำสมาธิแล้วก็ฝึกสติกายากตาตลอดก็คือสังเกตว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าเ อ, อมันไม่มีอารมณ์ะคะ่ะคือแบบ ความโกรธหรือว่าคือเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยมันมันเฉยได้เพราะฉะนั้นมันก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดจะเทียบแล้วมันเหมือนเร็วเร็วกว่าตัดความอยากก็คือมันมันเริ่มมันมันเหมือนกับว่าพอมันพอมันคุมสติอะมันมันเห็นอะไรได้มากขึ้นอะค่ะแปลว่าเราอันนี้คือคือเรามัก็มาสุกทางแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้คุมสังขารใช่ไหมคะอาจารย์ก็อย่าชะล่าใจเพราะว่ามันยังอาจจะไม่เจอเจอเรื่องที่มันจะเตือนใจแต่ว่าแนวนนี้ถูกแล้ว ก็แนวนี้ก็คือให้ใจไม่ไปวุ่นวายกับอะไรต่างๆที่มากระทบกับใจทำใจให้เป็นเหมือนใบบัวหดดน้ำายือดลงมากก็ไม่ดูดซึมเข้าไปใช่รู้สึกความหุดดีลำคัญใจก็มีแบบคือสมัยก่อนถ้าเราระงับความอยากด้วยสติมันจะระงับได้แต่มันอาจจะมีความหมุดดี เป็นคลื่นนิดนึงเดี๋ยวตอนเนี้ยพอมันไม่ได้มีความมันมันเหมือนกำลังงานตั้งแต่แรกอ่ะพระอาจารย์มันเลยไม่มีความหงุดหงิดตำการใจด้วยมันเก็เหมือนกับเฉยมากขึ้ น, นคือรู้สึกว่าดีมันรู้สึกว่าดีมากขึ้นนะคะ่ะพระอาจารย์ข้อแรกท่านทุกน้อยลงความมึนวายใจน้อยลงพระเถือว่าก้าวหน้แล้วก็อีกข้อนึงนะคะพระอาจารย์ก็คือว่าวัน ก็พอพอเขาประกาศไม่ล uhm ็อกดาวแล้วก็เลยไปข่าช si ีโอนเลยนะคะว่าจะวันศุกร์นี้จะไปเจ็วันไปอาทิตย์หนึ่งก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมนอกจากที่ตอนที่ไปเขาในีเจวันเนี่ยกว่าจะทําสมาธิแล้วก็เจริญปัญญามรรณาลุสติอะไรรอบหนึ่งแล้วก็จะเดินกายคตสติสลับกันทั้งวันอย่างเงี้ยพระอาจารย์แล้วก็มีฟังธรรมพระอาจารย์ตอนบ่ายมีอะไรต้องเพิ่มเติมอีกางไรคะพระอาจารย์นั่งสู้กับทุกคนในาได้กัน นั่งได้ประมาณ3ชั่วโมงมเคยเคยผ่านทุกวิทยนาแบบที่พระอาจารย์แนะนําแล้วก็ใช้แยกกายกับแยกจิตแล้วมันเคยแบบมันก็บตอกผู้แล้วเหมือนอนิเวกกาศแล้วมันแล้วมันแบบมันหายเจ็บไปเลยแ ล, แล้วตั้งแต่วันนั้นอ่ะมันก็ไม่กลัวเรื่องวิทยานาเลยพระอาจารย์นั่งนั่งมาก็ไม่เจ็บแต่พระอาจารย์จะให้นั่งนา่กก็ต้องนั่งนั่งไปเรื่อยๆอย่าไปเสรุบว่าไม่กลัวถ้าไม่กลัวก็ต้องนั่ง อ้าไม่สะดวกแล้วนั่งคนเดียวแล้วแม่บอกไม่กลัวแล้วไม่นั่งแล้วนั่งเมื่อจานนั่งคนตัวเองถูกค่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะลองนั่งให้นานขึ้นกว่าเดิมสี่ห้าชั่วโมงเลยครับไม่ใช่ไม่ว่าชั่วโมงนะให้มันเจ็บนะนั่งให้มันเจ็ มันก็เจ็บไปสองสมรอบลองลองดูคือมันเจ็บระดับหมูเลยอะพาจาร์ตอนแรกระดับแรกอะมันก็ทนได้อยู่นะแต่พอระดับกลางแล้วนั้นอะมันต้องแบบใช้จันปัญญาพิจารณาอะไรเพราะไม่งั้นมันไม่ไหวเลยมันเหมือนตัวจะแตกอะพ่ะย่จาร์แล้วพอมันพิจารณาไปมันไม่รู้อยู่ดีมันก็หลุดออกไปวบาเฮ้ยมันก็เข้ามึงกับอยู่ในอวกาศเลยพระย่จาร์แล้วความเจ็บมันหายแล้วตั้งแต่วันนั้นอะมีความรู้สึกว่าเรานั่งไปอะมันก็รู้ว่ามันเจ็บแต่เราเื่อให้มันเจ็บแล้วมันรู้แต่ว่ามันไม่ไม่ถูกมัน คือไม่ไม่ใจมัน ไ, ไม่กลัวก็เลยรู้สเลยรึกว่ามันผ่านได้ยังงั้นเดี๋ยวจะลองนั่งให้นานๆก่อนมันดูนะอาจารย์อ่าแล้วแต่เราแนหะมันมันใจเราไปพู่ด้วยว่ามันเรายังยังพยายามมันอยู่หรือเปล่านะว่าดเดี๋ยวจะลองนะั่งโอเคนะค่ะอาจารย์ค่ะ คุณนุ๊กมีอะไระป่ะนั่นเข้ามาทำที่ไหนสมาสิ ก, การเจ้าค่ะวันนี้เข้ามารับฟังธรรมเจ้าค่ะฉีดเข็มสองวันแล้วเหรอวันนี้ฉีดไปเมื่อวันก่อนเจ้าค่ะมียการเลยมีเจ้าค่ะปวดหัวก็มีไข้นิดหน่อยเจ้าค่ะแต่อ่อนกว่ากว่าเข็มแรกเจ้าค่ะเข็มแรกจะหนักเจ้าค่ะใช่ไห ม, มอันนี้งหายแล้วเนะี่ย ดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะบายใจแล้วใจได้แล้วในภูคุ้มกันนะเจ้าค่ะยังไปที่พนันแล้วพาดต่อนันแล้วามสการเจ้าขอพระอาจารย์ค่ะเมื่อวานได้เข้าไปฟังภาภาษาอังกฤษแล้วเห็นท่านอาจารย์ตอบท่านหนึ่งที่เป็นผู้ชายบอกว่า ที่ที่เวลาเขาภาวนาแล้วเวลาช่วงที่เจริญสติอะค่ะก็คือให้ให้ใช้วิสต้องก็คือสติปัญญาในการคิดเวลามันเกิดอิจฉาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หมายมายถึงว่าอันนั้นคือเป็นเป็นเวลาที่เจริญสติก็คือสามารถจะพุทโธ ก, ก็ได้แล้วก็แล้วก็จะใช้ปัญญาหยุดหยุดความอยากหรือว่าหยุดหยุดความทุกข์ได้ใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์ได้ ใช้ปัญญาก็ได้ใช้สติก็ได้เวลาที่เราออกจากสมาธิเราแล้วค่ะก็ก็คือสามารถสลับอันไหนได้ผลก็ก็ก็ทําอันนั้นไปในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นใช่ไหมเจพาพา้าคะอาจารย์เวลามันเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามนวก็ใช้สติก็ได้หรือใช้ปัญญาก็ได้ถ้าใช้อย่างไห้นเป็นก็ใช้อย่างนั้นไปแต่ ถ้าใช้ปัญญาได้มันก็จะแก้ปัญหาแบบถา ว, วรเฉพาะปัญหาเรื่องนั้นนะ่ะค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นสติเนี่ยมานกลับมาเรื่อยๆเวลาเราเออสติพอไปที่ถึงมันมันก็บผล่ได้ใหม่ <c oughs> แต่ถ้าใช้ปัญญา ม, มันจะมันโผร่ลลลแล้วไม่โผล่มันก็ไม่ใจกไม่ไปไม่ไปเดือดร้อนกับมันจากวิธีปล่อยวา เจ้าเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าระหว่างวันลูกก็ทําตามที่พระอาจารย์แนะนําก็คืออย่างทํางานแล้วเวลาเบรกใช่ไหมเจ้าค่ะลูกก็เดินจงกรมในห้องเจริญสติก็คือพุทโธแล้วสวดมนต์ไประหว่างเดินจงกรมอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาที่มันเกิดมีการกระทบหรือว่ามีมีอิชชุ อ, อย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำให้อารมณ์เราเรากระเพื่อมอะค่ะลูกลูก ลองลองดูแล้วว่าพุทโธบางทีเอาไม่ได้ก็ก็จะใช้วิธีการคิดพิจารณาแล้วมันก็วางได้ถาวรอันนี้คือแบบนี้ก็ก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ได้ค่ะเพราะว่าตอนตอนแรกมันพัดพุทโธแล้วมันไม่ไม่อยู่ก็เลยต้องมานั่งคิดพิจารณาว่าเหตุผลเหตุและผลทําไมเราถึงไม่ควรโกรธเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์พอคิดแล้วมันลงตัวมันก็หยุดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันหายไปเลยมันต้องเหนวาระยสั้นมันต้องเห็นว่าทุกเราเกิดจากความอยากหนาะ แล้วหยุดการอยากเราม่วยการเห็นว่ามันเป็นสิ็จที่เราไปควบคุมมันครับไม่ได้กันดารตาันดาเนเกิดแปลเจ้าข่ะเจ้าข่าถ้ า, ถ, าถ้าอย่างนั้นก็จะได้ดำเนินไปแบบนี้ไปต่อเนื่องไปเจ้าข่าระอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้มีแต่ถ้าถ้าไม่มีเหตุอะไรก็ ค, ควรจะเจริญสติต่อไปอ๋อค<ต>่ะ เพราะชาสมาธิเรายังไม่เลยังไม่แน่นพอมันก็ยังต้องจลัสติให้มันจิตรวมให้ได้ให้มันเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้เ จ, จ้าค่ะพระอาจารย์ใช้ปัญญ า, าเฉพาะเฉพาะจิตเฉพาะเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาเวลาไม่เกิดปัญหาก็พูดโทนต่อไปอควบคุมความคิดหยุดความคิดเพราะตอนนี้ขั้นสมาธิเรามันยังไม่เล็งพอ เจ้าขาเจ้าค่ะค่ะ้าใจนะเ ข, ข้าใจเจ้าขาพระอาจารย์กับขอพระคุณพรอาจารย์เจ้าค่ะมียามีคําถามไหมเมื่อมาฟังเฉยเก่าดมัสกาค่ะมาฟังเฉยเฉค่ะเดี๋ยวนี่บิวตี้เข้ามาแบบเข้ามากำลังนั่งรถกลับบ้านเร่งรีบเข้ามา จ, านาจะอนจอีกสิบห้านาทีจ้าค่ะแล้วที่สนแนนต์สแดน จากบุดอนเนี่ยมันจากบุรดนค่ะจากมัสการค่ะมีอะไรมไม่มีคถามค่ะไปที่ปุตเต็เตชุิมายที่ไหนทำอไรได้ใครเขาอามาฝันา่ะมัสการค่ะจากลาลูกกาปุมธานีค่ะครทำอะไรไ้ ค่ะเข้ามาหลายหลายคุณะคะ่ะจริงๆวันนี้มีปัญหาอยากจะถามอาจารย์นะคะว่าจะฝึกวางใจทำใจยังไงกับความตายแบบกระทันหันอะไรเนะะียค่ะคือเมื่อเมื่อวันจันทร์น่ะหนูท้องเสียปวดท้องมากกับ แ, แบบถ่ายไม่ออกแล้วแบบเงือแตกเต็มไปหมดเหมือนมันจะช็อกตายตอนนั้นเลยะคะ่ะก็เลยแบบแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้ ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยคิดแต่ปวดปวดปวดปวดอย่างเดียวแต่พออาการมันดีขึ้นมันนึกย้อนหลังถ้าเราต้องแบบตายตอนนั้นช็อกตายแบบกระทันหันตอนนั้นนะคะ่ะจิตสุดท้ายเราก็จะไปที่ไม่ดีใช่ไหมคะอ๋อไม่หรอกอยู่ที่ว่าการปฏิบัติของเราถ้าเราสามารถรษาจิตให้สงบได้ก็จะไปถ้าปล่อยจิตทุกบพุ่งไว้ก็จะไปไม่ดีเลยคือตอนอู่ในสมาธิอย่างเนี้นคะ่ะ เหมือนเวลาเกิดทุกขเวทนาเราก็สู้กับมันได้ใช่ไหมคะแต่พอเจอของจริงมันแบบเหมือนคนสติแตกเลยอะค่ะสติหายไปมันต้องดึงสติกลับมาให้ได้คือตอนนั้นมันแบบคือปวดปวดปว ด, ปวดแบบแต่ก็แบบยอมตายนะครับ ถ, ถ้าจะตายก็ยอมตายแต่ความรู้สึกว่าถ้าแบบถ้าจิตเราต้องต้องไปตอนนั้นจริงๆอะถ้ามันยอมแล้วจิตมันมันไม่วุ่นวายก็ใช้ได้อ้ายอมแล้วมันใจมันจะไม่ว่นวาย มันไม่ต่อต้านมันไม่ต่อสู้มันปล่อยวางพอพอเจอของจริงก็เลยแบบนี่ <deven it S 1> <ğim> <t ine> ถ้าแบบตายจริงๆคงจะน่ากลัวกว่าเนี้ยค่ะขนาดมันนะ่ากลัวกันนี้แหลมันก็พอๆกันหล่ละค่ะถือว่าเราได้มีโอกาสได้ซ <ๆ S 1> <น relationships. S 2> ้อมซ้อมแล้วอต่อไปก็พยายามสร้างพลังของเราให้มากขึ้นสร้างสติสร้างปัญญาให้มากขึ้น ความทุกข์ความแรงมันจะได้น้อยลแงบบมันไม่ทุกข์เลยเราพยายามนั่งให้มันเจ็บแล้วก็สมมติว่ามันเป็นอาการเจ็บเหมือนตอนที่จะตายเราดูซิว่าเราจะรักษาใจของเราให้หนีเฉยกับความเจ็บปวดของนั่งตายได้หรือเปล่าเราอย่างถ้าเป็นแบบอุบัติเหตุเหมือนถ้าเราถ้าเมัน เ, เป็นอะไรมันก็เจ็บเรามันไวกว่าให้เหตุการณ์ต่างๆ S <S <it> <S <m> เคย <ầ ming> เคยฟังเหมือนคนที่เขาประสบอุบัติเหตุมาที่คนที่ปฏิบัต right? ินะคะเขาบอกพอถึงตรงนั้นจริงๆเขาแบบเป็นสโลโมชันเลยอ่ะใช่ไ like ม่ง่ายจะู้ึกเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยแบมีเวลาให้ให้ดตัวเองเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยสติมันไวกว่ามันก็เลยทาให้รู้สึกเหตุการณ์ที่เกิดเป็นบันชาลงก็คือการฝึก ในทุกวันของเราเนี่ยก็คือไม่ตื่นนรกไม่สติหายแล้วถ้ามีสติถ้ามันจะประคับความคิตใจให้รู้เฉยเฉยให้ปล่อยวางไม่ให้แต่กิจอยา ก, ยา ก, ยากไม่ตายอยากไม่เจ็บอยากให้มันหายไม่ไดคิดว่าบอคอแตกอะไรต่างๆมันจะฝึกจิตให้รู้เฉยเฉยให้ปล่อยวาง หมดคำถามแล้วคะ่ะออแต่ว่าอยากจะร่วมทำบุญกับพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวติดต่อคุณหลาคุณหาจะให้ข้อวิธีนะคุณหลาในนี้เหรอคะนในนี้ก็ได้คุณหาเขาจะส่งข้อคว า, ามมาให้มีแชทวยนะคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขนุญาก่นนะค่ะท่านต่อไปคุณสอนดวงนดงนดวงนันดวงจาก ประเทศยาวไม่ว่าอาจพรยอาจารย์เนไม่มีคำถามนะฟังไปเรื่อยๆนะปฏิบัติอยู่เปล่าก็ปฏิบัติอยู่ค่ะอาจารย์จะถาว่าวิตกวิจารณนี้ค่ะอาจารย์จะวิตกจะิลต่างกัน เพราะว่าวิตกวิจารเวลาที่นั่งสมาธิหรือว่ามิตกวิจารในเวลามันไม่มันไม่เหมือนกันอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกครับเป็นจริตของเราชอบวิจารชอบกังวลชอบปรุงแต่งปรุงสร้างวิจารณของการปรุงแต่งวิจารกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วเราเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาก็ต้องใช้สติระงับมันเอาวิตกวิจารเราพูดโทรพูดโทร หรือถ้าใช้ปัญญาได้ก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกับอาจารย์ท่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดถ้ามันไม่ได้ยึมตัวรับของมันไปมันจะแก่ก็ต้องแก่มั น, จมนจเจ็บก็ต้องเจ็บ ม, จมันตายก็ต้องตอายในนี้มันกรจายคามไม่ตอบตังหลมันก็จ ะ, จะหายถ้าเรายอมรับความจริงได้ถ้าเรายังใช้ปัญญาไว้หน้าคิดน้อยิ่งหัวโถยิ่งกลัว ก็ใช้พุทโธพุธัโธหยุดความคิดไปก่อนลบนออกมาจากใจชัว่วคาวพุทโธนี้วมือเป็นหน่วยยางลบความคิดเป็นหน่วย ป, ปากกาเขียนหนึ่งว่นเดือนนี้เราวุ่นาวายแล้วก็เอาอยางลบกับพุทโธมรลบออกไปลบนออกมาจากใจแต่ถ้าเราใช้ปัญญาได้เราก็เราม็ใช้ปัญญาเขียนเก่าก่ว่า นี่คืออันนี้จะรับขขสสทุกสังขารต่างๆตัวอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้มันทำมันก็จะหายกลัวหายกังวลวได้แต่วิจักขิจาร์อยู่ในสมาธิค่ะอ๋อหมายถึงเวลาเราจิตเราก็ะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เครื่อนในเครื่อนขำใจ เราก็มีตกเพื่อแล้วตนะหาดูเขาเรียกว่าตึกวิตบวิจารในสมาธิก็เรีเปตึกกระจองตอนนี้เปิว่าลมเราก็นาดูลเขาเรียกว่าตึกือมีควา ม, ม, มรู้สึกเตัว่าเรากำลังดูเร้กว่าเปิดรู้ว่าลมเข้าลมออกกขเรียกว่าจองวิตตบวิจารในเวลานั่งสมาธิเราก็าต้องวิตตวิจารา แต่เราวิตกวิจารกับอารมณ์ที่เราใช้คากับใจเช่นเราตึกตอนกับผูโ้โธรวิรวิจารผู้โทรไปแล้ววิตกวิจารกับมาหมายใจถ้าออกไปแต่วิวตกวิจารแบบนี้มันนาไปสู่ความนิ่งความสงบว่าอามที่เราไปตึกตอนมันไม่ทาให้เกิดใจวุ่นวายไม่ทาให้ใจเวิ่ปครับอาจารย์เข้าใจนะคะ เสาดาดูจะอยากทราบดีถามน้มานสักอันค่ะไม่มีคำถามแล้วค่ะแล้วมีโปรแกรมจะกลับไปดูส อ, อยเข้าปเดี๋ยวดูวันกันดูวันก่อนค่ะโอเคค่ะพะเจ้พาพระมันกลับมาแ้วน้ำมันบ้างเขา่แลวอดไปกี่วันนะก็ <c oughs> จนครบเลยค่ะเจ็ดวันเลยนะค่ะ เนี่ยการอยากจะุดน้ำหนักเนี่ยเอาวิธีของคุณวพไดา้ไหมรับประกันได้ไม่ต้องไปเสี่ยงมันเข้าฟิตเนสเองเลยเดวันนี้เขาจะกี่โลสิบโลได้หมประมาทหโไม่แน่ใจว่ากี่โลไม่ไม่ว่ากี่โลแต่แต่ถ้ารถรถไปเยอะวันกี่โลน่าจะได้น่าจะได้ค่ะไดน้นิดเดียวเดียวเดียวด้วยรวดเรวนใจ วิธีวิธีลดน้ำหนักดีที่สุดอาไปโฆษณาในซีนรู้ดีเกิดจะมาปิดทำทำแล้วสํามรือแล้วเนี่ยกดหาร์เกิดวันลดน้งหนักลดไปจัดกิโลแต่ว่าวันท้ายอะค่ะจะมีแบบมันตื่นดีค่ะมีตื่นตื่นแล้วตื่นอะไรมาทำไมไม่ไม่ตื่มันตื่นค่ะค่ามันมันไม่นอนค่ะ ก็ดีได้ปฏิบัติได้เต็มที่ไดนสินไสบายก็เลยไม่นอนไปเลยค่ะแมนั่งสมาธิไปลรู้สึกว่าพลังมีพลังจิตขึ้นเยอะใช่เยอะค่ะแล้วนั่งไปมันมันอยู่กับลมอย่างเดียวไเลยจิตไม่หมุนไปเ่อยไเนอะไรเห็นอะไรไม่มีอะไรเฉเฉยได้สบาย คล้ายอแบว่ามันไม่ดันออกเท่าไหร่อ่ะค่ะอาจารย์มันมันมันค่ะเข้าเข้าวก่อนๆนะที่นั่งยาวๆแล้วมันเหมือนมันจะอยากออกแต่เราต้องฝืนต้องฝืนแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนมันก็อยู่อยู่อยู่ไปเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะอาจารย์ฝึกไปเรื่อยๆด้วค่ะค่ะอาจารย์แต่อยู่บ้านมันจะไม่ได้แบบนี้อะค่ะตอนนก็ปัญญาสิแม่ร่างปัญญานั้ะ หรือว่าหรือว่าก็ต้องฝึกใช้ปัญญาหวานวาน<อ>น่าตาทุกสิ่งทุกอย่างน อ, อกตัวเราเป็นน่าตาอยากพยายากให้เขาเป็นตามที่เราต้องการค่ะอาจารย์อันนี้เราถ้า อ, อยู่กับสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องถัดทำใจให้อยู่กับมันให้ได้อยากไปเปลี่ยนอยากไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมค่ะก็เราจะ น, นิง่งให้ได้าการความอยากเปลี่ยนแั้วมันจะทุ่มขึ้นมาเขาจะทำอะไรใครจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไป ค่ะเราก็ลองตัดตัวเลยให้เข no ้ากับเหตุการณ์อยไปตัดเหตุการณ์ให้เข้ากับความยากนดีเลย่าโอเคนะคุณค่ะคุณสหวิทยาการเชิญตั้ึกจะเข้ามาข้างหน้าอยู่ที่ไหนนวัตสการอาจารย์ครับผมสวัสดีอยู่ที่ไหนมาจากที่ไหน อยู่สงขาครับผมกนะครับผมพอดีอยากจะถามพระอาจารย์ว่าโดยปกตินะครับเวลาเวลาจิบผมเนี่ยมันผมใช้คำว่ามันมันมีอาการขึ้นมาใช้คำว่ากระเพื่อมแล้วกันนะครับพรับครับเหตุครับผมพอเห็นแล้วมันก็พอมันเห็นบ่อยขึ้นมันก็มันรู้มันเชื่อไปเองเลยครับว่า ไอ้ไอ้ที่มันกระเพื่อมออกมาเนี่ยเราไปเชื่อมันแล้วมันก็จะมีมีเชื่อเชื่อในความจําของมันนะครับว่ามาว่ามันมีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้พอมันเห็นบ่อยขึ้นพอเห็นบ่อยขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นมันก็จะไม่เชื่อละนะครับมันมันก็จะไม่เชื่อละพอมันพอเห็นปุ๊บมันก็จะไม่เชื่อละเพราะว่าถ้าเกิดว่าพอไปเชื่อมันปุ๊บนะครับมันก็จะไปสานต่อไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์ใช่ถ้ามีสติมันก็จะตัดึ้นได้ทีนี้ ผมจะได้แต่เรื่องปกติปกติครับแต่ถ้าเรื่องสะเทือนใจอย่างที่ได้ยินพระอาจารย์พูดกับกับกับโยมเมื่อเมือม่อสองสามคนที่แล้วฮะพอเป็นเรื่องใหญ่ๆฮะมันก็จะหลงเข้าไปเชื่อมันมันมันมันจะไม่ทันนะครับใช่แล้วก็ต้องซ้อมแล้วก็ต้องศึกษาวิธีชื่อกวามครับคือเราก็ตองต้องต้อ ง, ต, องต้องซ้อม ก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเป็นการสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาให้หมืนเหมือนกับเหตุการณ์จริงหรือบางทีมันถูกบังคับให้เจอไฟบังคับเช่นอยากคนอื่นนี่เล่าว่าไม่สบายปวดท้องอะไร ต, ตอนนั้ น, นก็ต้องก็ลองใช้สติดูทําใจให้มันนิ่งอย่าให้มันกับเพื่อมกับความความเจ็บปวดของหน้างกายได้หรือเปล่าอืมแต่มีเหตุการณ์หนึ่งครับพระอาจารย์เวลา ผมมีมีเรื่องมีราวนะครับโดยปกติแต่ก่อนที่ไม่เคยฝึกหรือว่าฝึกมาน่าระดับนี้มันจะกลัวมากใจมันจะสั่นมากแต่ทีนี้พอถึงเวลาปุ๊บมันเหมือนกับมันมีมันมันตั้งขึ้นมาได้เองนะฮะเหมือนกับว่ามันมันเข้ามาช่วยเองตั้งสติมันเข้ามาช่วยเองอะไรอย่างเนี้ครับเคยเคยเคยเคยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันใหญ่ใหญเรื่องสะเทือนใจมันก็ยังยังยังไม่ได้ครับผมมันก็ต้องสร้างต้องสร้างสถานการณ์ให้มันคล้ายเสมือนจริงครับจึง ถ้าเราจะเริ่อง ก, การเจ็บไายได้ปวดล้วก็เรานั่งแล้วให้มันเจ็บหน่อยให้นางกายเจ็บปวดไม่อยากไปขยับเราใช้ใช้สติมาคอยคุมใจที่กระเพื่อมให้มันไม่กระเพื่อมนี่ได้หรือถ้าเราอยากจะละทิ้งความตายนะครับนี่ <ไป S 1> คำถา ม, มนะครับพระอาจารย์ครับ อ, อผมผมพันั่งสมาธิมาก็นานแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยจิตถึงอัปปนาสมาธิเลยครับผม เราจะท <ำ S 1> ํายังไงมันถึงจะถึงอัปนาสมาธิหรือว่าจิตรวมใหญ่ครับคือมันต้องมีสติตที่กําลังมากแล้วเราต้องฝึกส ต, ติทั้งวันแล้วน่าต้องไปอยู่ไปเปเรียบเว่ยเว่ถ้าเราอยู่ตามปกตินี่ยากยากที่จะทําจิตแห้รวมเข้าไปอัปน า, าได้ต้องไปปรียบเว่ยเว่สักเจ็ดวันอยู่วัดหรืออยู่ที่ไหนที่เราสามารถอยู่คนเดียวแล้วฝึกสติได้ทั้งวันทั้งคืน นั่สามารถที่สลับาาการเจริญสติอย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้เจิตนวนได้เข้าใจไหมหายไปแล้วไม่สามารหาเปาน็นด้านไม่ได้ยินแล้วออกอยูน่นี่ได้ยินหรือเปล่ามีศวิทยาการเปิดใหม่ห น, หน่ที่เปิดใหม่อ่าวนี่อาจารย์ครับพอดีสำคัญครับได้ยินแล้ว มีอะไรไหมเข้าใจไหมเมืม่อกี้ใช่ครับอ่าพอพอเข้าใจครับแต่เสียงมันคาคาหายจับใจความว่าอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้ให้ให้ตั้งสติทั้งวันอ่าอันนั้นก็หนึ่งถ้าเราอยากจะให้จิตรวมเป็นอัปนาสมาธิต้องมีสติอตองไม่ล้นทั้งวันเพราะเวลานั่งสมาธิจิตต้องไม่เพ้อเลยต้องอยู่กับฟุโ้โถงต้ออยู่กับลมไปอย่างเดียวมันก็จะเข้าได้ ส่วนเรื่องเวลาจะเหตุการณ์่างแๆว่าใจเรายังสู้ไม่ได้ก็ต้องสร้างสถานการณ์ค่ายกับเหตุการณ์นั้นมาซ่อมไปครับเป็นนั่งให้มันเจ็บปวดทั่วหน้ากายแล้วอยากไปขยับมันแบบเจ็บให้มันรบนิ่งให้มันสงบอย่าให้มันกระเพื่อมไปกับความเจ็บปวดทั่วหน้ากายครับ มันกับคุณใช้กับเวลาเหตุการณ์หนึ่นที่ทําให้จิตกระเพื่มก็เห็มันก็เหมือนกันถ้ามีสติกําลังควบคุมได้นก็จะควบคุมได้ครับเราก็ต้องซ้อมน้องฝึกสั้างสติน้อมฝึกถ้าใช้ปัญญาไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ครับมันจะเข้าใจนะ เข้าใจครับผม <Okay. S 1> บท่นนี้ท่านนัะ้ะได้ไปที่ท่านหน่ต่อนะครับผมไม่ร่้มจากพอวินอ้นาวน้ามรการค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะไม่มีคำ ถ, ถามนะเียนไปที่คือวิาลพรต่อวิาลพร อยู่ที่ไหนคุณวิไลพรกรุงเทพค่ะพระอาจารย์ค่ะมีคำถามไหมกลพระอาจารย์ค่ะมากราบพระอาจารย์ค่ะทำใจชะค่ะพระอาจารย์คะพอดีเอถ้าเกิดไปปฏิบัติที่วัดเนี่ยค่ะก็จะจิตรวมได้แต่พอมาอยู่บ้านนะคะทํารู้สึกขณาจะจะใช้ว่าพุทโธทุกวันตลอดทั้งวันเนี่ยค่ะจะหลุดบ่อยมากเลยค่ะพระอาจารย์ใช่ก็ไม่มีไม่เสียนว่ากวดใจอะไ่เี้เรื่อย <ช>ถ้า<ช>เราไ<ช>ปอยู่คนเดียวที่ว่าไม่ไม่มีอะไรมาคอยกัดดึงใจเราไป<ช>เราไมสามารถก็คงให้ ม, มันอยู่กับพุดเท้าได้ง่าย ใช่ค่ะพระอาจารย์อย่างที่เคยไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกอะค่ะพอวันสุดท้ายอะค่ะไปปฏิบัติอยู่แปดวันค่ะพอวันสุดท้ายให้นั่งให้นั่งสมาธิใช่ไหมคะเราก็นั่งพอเรานั่งไปสักพักหนึ่งเวทนามันเกิดค่ะพระอาจารย์คือมันจะเจ็บเข่ามากเจ็บแบบเจ็บสุดๆแล้วก็โยมก็มองมองความเจ็บไปแล้วสักพักหนึ่งโยมก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันเหมือนโยมก็ที่ว่า ทั้งมันก็เจ็บก็คือเจ็บไปก็ก็คือมองก็คือมองคือก็คือมองไปสักพักหนึ่งก็จะมีลมเหมือนกับว่ามามามาปะทะหน้าค่ะพระจา่าแล้วก็รู้ว่ามันเย็นมากเลยแล้วสักพักหนึ่งโยมก็จะได้รับรู้ถึงลมที่มันเข้าเข้ามาทางหูค่ะพระจย์เส<ฮ>ียงลม ฟ, ฟู่ฟู ฟ, ฟูสักพักหนึ่งโยมก็จะได้กลิ่นดินกลิ่นดินที่เหมือนกับตอนที่ฝนตกลงมาค่ะพระจย์แล้วก็สักพักหนึ่งโยมก็จะมีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็โยมจะลืมเวทนาเลยค่ะพระอาจารย์ แล้วพอโยมก็จะมีความสุขอยู่กับกับว่าทำไมมันสุขแบบนี้สุขแบบตอนแความรู้สึกเหมือนเหมือนก็ฝนจะตกใช่ไหมคะโยมโยมโยมคิดว่าอ่ะอยากอยากตกก็ตกมาเลยเพราะยอมยอมเปียกมันมีความสุขจริงๆโยมเลยอยากรู้ว่าที่พระอาจารย์บอกว่าสุขในสมาธิคือสุขแบบนนนนี้นะ้แแแบบนะแบบบบหสสอมมมัไ่่่จําาเเป็ต็ตตงกวบบบทบบยใด บางทีทุอกอย่างยังอยู่จิตก็สามารถสงบปลกก่อยวางนด้สงบด้วยการปล่อยวางได้ใช่ค่ะมีความสุขอย่างไม่เคยสุขแล้วพอเราออกจากสมาธิตัวเราเบามากเลยค่ะพระอาจารย์ อ, นนอ๋อแต่เป็นครั้งเดียวเลยค่ะพระอาจารย์ครั้งแรกของการปฏิบัติธรรมเลยค่ะพระอาจารย์ดค่ะถ้ามันจะทําให้เราติดใจจะทําให้เราไม<ช>่หลงไม่ลืมมีบรรยากาศเมื่อไรแล้วก็อยากจะไปปฏิบัติต่อใช่ค่ะจ า, า, า, ากวันนั้นนะคะพระอาจารย์ทําให้โยมเชื่อเลยค่ะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอีกพบหนึ่งมีจริงทุกอย่างมีจริงทุกอย่างเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็เลยค่ะพระอาจารย์พระองจารย์ไม่เป็นของจริงใช่ค่ะคใช่ค่ะเชื่อสนิทใจเลยค่ะแล้วพอดีมีปัญหาคาใจอยู่ครั้งหนึ่งค่ะพระอาจารย์สมัยตอนเด็กคือคือยมฝันค่ะยมฝันว่า อเห็นเห็นหนูอะคะ่ะตกอยู่ในถังน้ําแล้วหนูตัวนั้นนะคะก็มาบอกโยมบอกว่าให้โยมตื่นแล้วก็ไปช่วยเขาจริงๆเพราะว่าเขาว่าจะจมน้ําตายอยู่แล้วแล้วโยมก็มีความรู้สึกว่าโยมปวดท้องที่อยากจะเข้าห้องน้ําโยมก็ตื่นมาพอโยมตื่นมาแล้วอ๋อแล้วแล้วหนูหนูยังบอกโยมในในฝันนะคะบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแม่ตื่นมาจะต้องจับมันกดลงชักโคกแน่ แล้วเสร็จแล้วโยมโยมก็มีข้สุ่ว่าโยมปวดท้องแล้วแล้วโยมก็ลงลงมาเข้าห้องน้ําแต่แปลกมากเลยค่ะพระอาจารย์โยมเห็นหนูตัวนั้นจริงๆตกอยู่ในถังจริงๆแล้วโยมก็เลยเทเทถังน้ําทิ้งแล้วหนูตัวนั้นก็ออกมาสปักก็วิ่งแหกแล้วหนูหนูตัวนั้นก็วิ่งวิ่งวิ่งหนีไปแล้วพอตอนเช้าอะค่ะโยมมาถามแม่ว่าแม่ถ้าถ้ากลางคืนอะแม่แม่เจอหนูตกในถังน้ำอะแม่จะทํำยังไงแม่บอกาาก็จับมันกดลงชักโคกเลย โหยยอมแบบอืทำไมทำไมเราสื่อสารกับหนูได้แล้วมันเป็นความจริงเอะคะพระอาจารย์ทั้ง ท, งที่ทั้งที่เรานอนหลับฝันคือจิ ต, จตเราออกมาล่ะค่ะใช่จิตเรารับกระแสของความคิดกับหนู ไ, ได้ออเราจะเคิดว่าเป็นความฝันแต่ความจริงมันเป็นความจริงค่ะแต่เราก็ต้องบางทีต้องต้องพิสูจน์ก่อนเราถงจะรู้ว่าเป็นความฝันไม่เป็นความจริงทั<ป>้งที่เราฝันมันอาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ค่ะ นั่นก็อย่าไปเมาทุกทั้งไปว่าฝันเ้าจะต้องเป็นอย่างที่เราฝันใช่ค่ะพระอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเด็กอยู่มั้งคะพระอาจารย์จิตเราก็คือบริสุทธิ์มากๆได้เวลาจิตนอนหลับนี่มันสามารถรับกระแสของจิตดวงอื่นได้ถ้าพวกส่งก็มาหาเราอืมค่ะพระอาจารย์อย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะว่าหนูตัวนั้นมาเกิดเป็นลูกเรา ไ ม, ไม่รู้ว่าน่าจะไปนะคะเพราะว่าลูกสาวเกิดมาปีชวดแล้วหลานหลานชายเกิดมาก็ปีชวดอีกค่ะโยมก็เลยนั่ ง, งมันจะเป็นหนูแล้วไปเป็นหนูล้วก็ต้องเลี้ยงมันดูเราก็ต้องเลี้ยงลูกเราเหมือนเดมพระอาจารย์แล้ ว, ม, <c oughs> าาลวมีคําถามมีคําถามนึงค่ะพอดีลูกสาวถามมาจริงๆอยากจะให้ลูกสาวมาถามพระอาจารย์ลูกสาวเพราะประเภท พอเด็กวัยรุ่นสมัยเนียค่ะพระอาจารย์แบบโยมจะค่อนข้างกุ้มใจกับลูกๆมากเขาจะอันตี้หรือจะบิดมีปัญหาคือจะว่าทำไมทาไมทาไมแล้วแบบเหมือนกับว่าเขาถามโยมมาบอกว่ามามะทำไมพระพุทธเจ้าเกิดมาแค่เจ็ดวันแล้วเดินได้เจดเก้าจริงเหรอมา้าโยมก็เลยบอกว่าเอ่อก็เป็นความเชื่อสมัยโบราณแต่ว่ามันเป็นอุปมาอุปไมยคือให้รู้ว่า ท่านมียานพิเศษโยไม่รู้ตอบลูกยังไงค่ะพระอาจารย์ที่ว่าให้คือโยมไม่มีปัญญาในการที่จะตอบได้ให้ลูกได้เชื่อถือว่าคืออะไรโยไม่มีความสามารถโยจะตอบเขายังไงดีครับพระอาจารย์ก็บอกเลยม้าออกมายังเดินได้เลยเหมือนนังมันถามเลยแต่ละอย่างแบบแล้วก็ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเ้ายังไงก็แล้วกัว่าท่านยังไม่เห็นหนูยังไม่ต้องเชื่อไปได้ เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตการนานนะครับใช่ค่ะแล้วต่อไปเวลาหนูโตขึ้นนะ ห, หนูมีมีปัญญามากขึ้นหน้ก็จะเชื่อก็ได้ได้ค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้ยังหนูยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ถ้าหนูพิมพ์ว่าเพราะหนูไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วจะเจ็ดเก้าได้ใช่ค่ะอโอเคค่ะกรขอบขอพระคุณครับพระอาจารย์บอกศาสนาไม่บงังคับไม่เชื่อ แต่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่สอนเธอให้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่ค่ะไปเชื่อใช่ค่ะยังเวลายมไปปฏิบัติโยมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยแม่เจอเนี้ยซึ่งมันเกิดกับตัวแม่เองเมื่อก่อนแม่ก็ไม่เคยเชื่อเลยเขากขว่าต้องบอกหนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อเข า, าไมนเป็นบอกแม่ก็ไม่มาข้ามม่เชื่อ อ, อแอ่แต่ใช่หนูทําตามที่แม่ทาบ้าง ให้หนูนั่สชุดนั่งสวดมนต์กับแม่บ้านั่งสมาธิเคยแล้วเคยแล้วค่ะพระอาจารย์มีอยู่ครั้งหนึ่งคือวันนั้นโยมโยมไปปล่อยบัวแล้วก็เหมือนกับบัวเขาก็จะมีเลขใช่ไหมคะพระอาจารย์เลขที่ขึ้นขึ้นตรงบัวค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็พูดมาคํานูบอก ว, ว่ามา้าถ้าม้าถูกหวยเลขเลขบัวเนี่ยหนูจะเชื่อเลยแล้วหนูจะไปปฏิบัติธรรมกับม้าเลยเชื่อไหมคะพระอาจารย์เลขนั้นออกเลขบัวจริงๆค่ะ แล้วเขาก็ไปปฏิบัติธรรมกับโยมเรียบร้อยแล้วแต่กว่าจะผ่านไปได้นะคะจานโอ้โหเล่นเอาหนูก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะร้องไห้กันเลยค่ะก็อย่าไปอย่าไปหวังอะไรมากถ้าเขาชิเขาทําตามเราได้กันดีถ้าเขาทําตามเราไม่ได้ก็แสดงว่าเขายังไม่มีบารามีิคอลว่านะว่าไม่มาถึงนี้ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนเราอ่ะคือแค่เป็นคนคิดดีทําดีพูดดีไม่ไม่โกหกไม่ไม่ทําร้ายคนอื่น แค่นี้ก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วใช่ต้องบอกว่าบบคเราเนี่ยเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ได้เศรษฐีร้อยล้านก็ได้การทาดีของหนูไม่เป็นซําความเดือดร้อนดก็เป็นเศรษฐีแค่ล้านเดียวถ้าอยากจะเป็นเศรษฐีล้านลานก็ต้องทํามากกว่านี้มัต้องเียบเที่อะไรเขาั่ ค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะก็พยายามแจ๊กแจ๊กซึมแจ๊ก่ก็ยังไม่วังอะไรมากเรคุยกันไปเลย้าหเห็นใช้ผลเงิอยาอยาใช้อำนาจบาตบยะว่าฉันเป็นแม่จจะต้องเชื่อฉันจริงค่ะจงพยายามเชื่อรจริงค่ะพระอาจารย์ไค่ะถ้าาไม่เป็นบังคับเขาเชื่อนะเขาจะเชื่อเ ร, เ ร, อรง่าย เ, เ, เราต้องทาให้เขาเห็นถ้าเาเป็นบังคับเขานี่ก็จะตอบ้า น, นจริงค่ะพระอาจารย์จริงจริงเลยค่ะค่ะพระอาจารย์ โยมโยมประทับใจพระอาจารย์มากเลยค่ะโยมเห็นเฟซของพระอาจารย์ที่ตอนพระอาจารย์ไปใส่บาทวันที่ฝนตกค่ะทั้งทั้งทั้งญาติโยมที่ใส่บาตรพระอาจารย์ทั้งทั้งพระอาจารย์ที่มาโปรดญาติโยมเห็นแล้วโยอมสัทธาแรงกล้ามากเลยค่ะพระอาจารย์ฝนตกวันนั้นฝนตกพังๆพระอาจารย์ก็ยังออกรับบิณฑบาตกับสาธุพระอาจารย์เลยค่ะานมทค่ะกับพระอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรละอ่ะมากัพระอาจารย์ค่ะที่คน ยินเดยต่อเลยถ้านี่คนจิ๊เข้ามาหาไปแล้วนะไม่เป็นไรท่านพี่คนจิ๊ย้ายจอไปอยูที่อื่นแ้สายอยู่ทุกฝั่งเดีย๋ยวเราไล่าหาดูไปอยู่ข้างล่างครับให้ท่านจิ๊บบอกว่าท่านี่เข้ามาอาชีล้่จิต่อเลยจิ๊บได้ยินไหมได้ยินเจ้าค่ะ่าอาจารย์เดี๋ยวขอโยกจอดรถแบบนึงค่ะโอ้ไปข้างน้าเล่ยกแบบนึงค่ะ ขับรถเมื่อกี้อยู่ในบ้านแล้วก็ขับรถเตรียมตัวไปทำงานเดยวแบบพายอนย ม, ยมจอดเราเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินยมไหมคะได้ยินดีค่ับแอบน้มัสการเจ้าค่ะยมจำมันมาก็ยมก็พยายามสวดมนต์แต่เมื่อคืนนะคะยมรู้สึกว่ามันคือมันยมหลับไปแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนบททดสอบจริงๆที่ในความรู้สึกในฝัน คิดว่าฝันหรือจริงมันแยกกันไม่ออกเลยจริงค่ะมันเหมือนกับว่าโยมานอนหลับแล้วนอนข้างๆลูกในในความฝันนะคะแล้วเหมือนกับหัวมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วแล้วมันเหมือนจะระเบิดแบบเหมือนเราจะตายอะค่ะพระอาจารย์ในความรู้สึกในนั้นนะคะมันเหมือนเราจะไปแล้วเราจะไปแล้วแล้วในความรู้สึกที่มันเป็นวงๆของความรู้สึกว่ามันจะไปอ่ะเราก็เห็นเป็นรูปพระพุทธรูปอะค่ะสีทองๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะโยมก็โอเคพุทโธพุทโธพุทโธ แต่เราจะไปเราจะไปจริงไหมเราจะตายหรือเปล่าแล้วโยมเลยรู้สึกว่าจิตสุดท้ายโยมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเสร็จแล้วยมก็ยัคิดอ่ะแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงเนี่ยคะโยมเรานึดว่าเราตัดได้แล้วแต่กลายเป็นว่าเอ้ยนี่มันบททดสอบจริงๆจงังๆเลยพันมันเหมือนจริงๆอะค่ะว่าเราจะตายแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นมาแว๊ดนึงว่าแล้วลูกเราจะอยู่ยังไง เ, เป็นห่วลกๆเราจะอยู่โ ย, ยมก็เลยคิดในใจไม่เป็นไรตายก็ตายปะเราไปพูดโทดีกว่า เราไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนี่นั้นดีกว่าแล้วเสร็จแล้วอะค่ะพระอาจารย์มันก็เหเ um มือนกับมันก็วืบแบบเบาแล้วมันก็เราได้ยินเสียงหัวใจเราเต้นตุ๊บต๊บตบตุบตบตบต๊บต๊บตบตบตบตบตบตบตบตบตบแล้วมันก็เงียบแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเลยอะค่ะพระอาจารย์โยงอะไรมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการ แสดงง่ญญายเราเห็นมาจะตใจงเราอยู่ในระดับไหนปล่อยอะไรได้ไม่ปล่อยอะไรไม่ได้ใช่ค่ะยงก็เลยเ อ, อสงสารเรายังปล่อยเรื่องลูกไม่ไดแ้แน่เลยแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาในความคิดรู <อ S 2> ้ส <อ S 1> ึกว่าลูกเป็นลูกเป็นลูกไม่รัพ่อแม่เหมือนกับรักลูกตอนไหนรักค่ัรักแต่ความห่วงที่เรามีให้ลูกเพราะเขายังเล็กเ่ะเราก็เลยรู้สึกว่า เออโนอที่เราบอกว่าเออถ้าเราตายไปเราก็ไม่ห่วงอะไรแต่จริงแล้วอ่ะพอเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เลยรู้สึก อ, อจริงๆแล้วเราไม่ใช่นี่แบบปากเราพูดไปแต่จริงๆอ่ะใจเรามันไม่ใช่เลยยึ้งเลยแบบดิฉันต่อไปแล้ว่าอย่าไปหลับตัวเอง ยมกว่ายมโอเคนะผ่านมาระดับนึงพเจอของจริงมันเหมือนของจริงมากๆเลยค่ะอาจารย์รรมันเหมือนจริงมันก็มันก็เป็นเหมือนขก็จริงและวิธีปฏิบัติของเราก็มันก็เป็นมอนก็จริงด้วยใช่ค่ะยมก็เลยเอาอ่ะตายก็ตอนแรกรู้สึกมันจะไปแล้วมันจะหลุดอะไม่โอวงลูกอะไม่ไหวแล้วมันมันหลุดแน่ๆเอาพุโทธธโทธกพุโทธธโทธพุทโธพุทโธไปยังดียังจำนะครพุโทโธได้ถือว่าปล่อยไนดะ้ ไม่น้่จไม่นั่นถ้าอาจจะตกใจเกิดขึ้นมาก็ได้ตอนนั้นถ้าปล่อยลูกไม่ได้จะตกใจเกิดขึ้นมาใช่ค่ะยมก็เลยรู้สึกแบบโอเคติัว่าเรายังมียังมีธรรมะอยู่แต่มาช้าหน่อยมาช้าหลังจากรูกไปแล้วไอจีเลไอจีเลเมื่อก่อนแล้วธรรมะค่อยๆมามันเช่นก้นมันเดย ยักย็โอเคแต่เมื่อกี้ฟังท่านอื่นที่มาอาจารย์พูดกับพระอาจารย์ไปนะคะยังก็โอเคงั้นเราก็ต้องฝึกสติให้มากกว่านี้พยายามฝึกไม่ได้เลยอย่าฟังมาฝึกสติฝึกปัญญาทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราค่ะแล้วถ้าเป็นอัปปนาสมาธินี่คือเราจะไม่มีความคิดวอกแวกเลยเหรอคะพระอาจารย์ตอนนั้นมันจะลื่นมันจะสักแต่ว่ารู้ม่เฉย บอกก็คือมันมีความคิดแต่ว่าเราก็เฉยเฉยเฉยเยมันมันอาจจะมีเรื่องให้เรารับรู้แต่ใจเราเฉยเฉยอย่างอย่างอย่างเฉยกับเหตุการณ์ความจะเป็นจะตายก็เฉยมัรู้ไปนะนี่ก็ถือว่าเป็นลัทธินาวแบบหน่งค่ะแล้วมันจะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆอย่างที่อาจามบอกมันก็จะติดเราไปเลยเป็นสัญญาณไปแบบถ้าเราบุกมันก็จะแบเป็นนิสัยเลยไม่ใช่เป็นสัญญาเป็นนิสัย เหมืกับขับรถไงขับรถเวลาขับรถก็ต้องหอดใช่ไนะหมอดไปเบาๆทีนี้ไม่ต้องคิดเลยรในเวลาขับรถขึ้นรถปับ๊บใส่กุญแจปั๊บนิ่งได้เลยไ่เมือก่อนนี่ต้องทํานุ่นทํานี่เตรียมอยางเตรียตอนต่อไปมันก็จะเป็นหนักงอมันมาฝึกบ่อยๆขับไปจริงแล้วก็จะปล่อยวางมีอะไรในการขึ้นมาก็ปล่อยวา แล้วถ้าเราสมมุติอย่างถ้าเกิดเราจําไม่ได้ว่าเราทานยานี้ไปหรือยังแปลว่าเราไม่มีสติใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เวลาทานยาเมืกี้เนี่ยหนวิธีวิธีที่จะแก้คือต้องมีมาตรการเป็นเวลายาที่เรายังไม่ทานให้วางไว้ข้างขวายาที่เราทานแล้วให้ไปวางไว้ข้างซ้าย ม, ม, มันมันมันก็จะจําได้ออถ้าอยู่ข้างซ้ายแสดงว่าได้ได้ใช้ได้จริงแล้ว ถ้ายังอยู่ข้างขวาอยู่แสดงว่ายัางไม่ได้กินใช่ค่ะบางทีเอาเอายาเอาย า, อาของตัวเองเนี่ยแล้วคุยกับลูกไปด้วยแล้วก็หยิบขวดยามามเอ๊ะแม่แม่ทาหรือยังฝามันเปิดไว้แต่แม่ทาหรือยังแล้วเราก็ทําแบบนี้ตอนเนี้เวลากินยาบางบทีกินอยู่มกคนมามาทักมาคุยถามด้วยเดี๋ยวพอคุยเสร็จกบมาให้กินหรืออย่างไรทยังไงบางทีแบบนี้ต้องใช้มาตรการยาที่ยังไม่กินไว้ได้เนี่ยยาที่กินแล้วไว้ได้ มันก็เลยฝึกได้ใช้ปัญญาสู้กับความความหลงความึ่งได้อันนี้ยังลูกก็ถามแม่เป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าโยมก็ก็มี <c oughs> ความหลงลืมว่าสติไม่มีมากกว่าถ้ามีสต <c oughs> ิถ้ามีสติแล้วจะไม่ลืมรืลืมก็ลืมลืมในเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ไม่จำเป็นไม่สำคัญแต่เรื่องที่จำเป็นสำคัญมันจะไม่ลืม ถ้าเราฝึกปัญญาฝึกนั่งสมาธิฝึกสติฝึกปัญญาไปเรื่อยๆโอกาสที่เราจะลงร้อนแก่ไม่เป็นใช่ไหมคะน้อยมากมากถ้าดูหลองสู่หลวงตาอยู่ร้อยรอยรอยปีท่านยังจิตใจท่านยังสว่างสวยท่านยังสดชื่นท่านไม่หงไม่ลืมอะไคุม่ลืมประค่ะ วันนี้โยมมีคําถามเท่านี้ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์รักษาทาษาักขันด้วยนะคะไม่ทํางานน้อเหรอยังค่ะโยมยังคุยได้อยู่แต่โ ย, ยมโ<อ>เก่งใช<อ>้เวลา<ด>ท่านอื่นแ่โ ย, ยมยโอ๋<ด>มอวันนี้โยมขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเรื่องอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าขอให้ได้สมใจแล้วก็มันมีทั้งหัวทั้งก้อยแล้วมันก็จริงๆค่ะมันก็มันก็ถือว่ามันก็โอเคพอใจแต่มันก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็หักล้างกันไป ตามที่พระอาจารย์บอกค่ะมันได้อะไมาสังวันมันต้องเสียมันไปอยู่ดีคิดอย่างนี้บ้างใชใช่ค่ะแต่ขอให้เสียตอนแก่ๆแล้วหรถ้าเราทากันได้ก็ถ้าเราสั่งมันได้ก็ดีใช่ถ้าเราเสียนะคะจะถูกต้องค่ะถ้ใครๆยมก็เลยโอเคได้มาก็ไม่ดีใจมากไม่เสียใจมากเราก็เอาเฉยๆกันกลางเสียไปก็ไม่เสียใจเฉยๆ ใช่ค่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือขออธิษฐานว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ขอให้เรามีสติปัญญาแก้ไขไปได้อะไรเงี้ยมีทางออกค่ะโ okay. อเคค่ะกลับมาราการคร<ป>ัค่ะมาจาก USAMaryland เดี๋ยวไปที่คุณยินดีจาก USA เหมือนกัน SouthCarolina ขอบคุณอาจารย์กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเหรอีเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ไม่เหน่อยทางสิบสองชั่วโมง เหนื่อยค่ะก็กลับมาถึงบ้านสามทุ่มครึ่ง น, นะคะท่านอาจารย์ก็ไม่ดึกมากก็โอเคค่ะหนูก็วันว น, วนี้เดวิดก็กลับไปทํางานตามปกตินะเห <c oughs> มือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านแล้วเขาก็กลับฝากกลับท่านอาจารย์นะคะค่ะท่าท <ำ S 2> อาจารย์มีคำถามยังไหไม่มีค่ะท่านโอท่านอาจารย์ครับหนูอยากถามว่าในกรณีถ้าเกิดสมมติว่า ที่บอกว่าแบบเอคนทานวิตามินเพื่อที่ว่าทําการรักษาร่างกายแบบเพื่อบํารุงร่างกายในกรณีนี้มันคือความอยากนี่คะท่าอาจารย์ไม่หรอกก็เป bombing, oven, lls, <Good. S 1> ็นยากินยากินอาหารถ้ากินตามตามสูตรของมันเกาถ้ากินมากเกินไปก็อาจจะเป็นความอยากแต่ถ้าหมอบอกให้กินวันลมถ้ากินแค่วันเม็ดแต่อยากใช่มันขึ้นในสมมติวันนี้ก็กินสองสามเม็ดอย่างนี้ไดว่ากิน กินได้ความยาอย่างช่วงที่เป็นโควิดใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าให้ใ hey, ห hey, ้ใ<า>ห้แบบให้ใ hey, ห้ทานวิตามินซีได้ในการกินยาค่ะโอเคแต่ไม่ใช่ยายาก็เป็นเวลาว่าโดยธรรมชาติของเราเรายังยังต้องอยู่ต่อแล้วก็ต้องรักษาร่างกายไว้เรายัางไม่อยากตายใช่ไหมเราก็ต้องกินยาเพื่อป้องกันการตายค่ะ ค่ะท่านอาจารย์ก็มีเท่านี้ค่ะท่านอาจารย์ถ้าเป็นท่าละค่ะน้าจะไม่กินอะไรก็ได้ตายก็ตายเป็นก็เป็นนี้นะแต่ก็เลือกเองแต่อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกิเลสใช่ไหมคะท่านอาจารย์เป็นก็เป็นเป็นไรเป็นแบบมันามัม่ถึตอให้เราทุกพน่มไม้ใจก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะพอดีหนูไปอย่างไปที่วอชิงตันเน่ยค่ะตอนที่ไปอ่ะค่ะอาจารย์ คือเมื่อมันเงียบมันเหงามากคือมันไม่มีคนเลยหนูก็เข้าใจว่ามันเป็นที่เป็นตใจก็คือที่ก็ประกาศมาก็คือเป็นเพราะโควิดอะค่ะท่านอาจารย์แล้วก็พอไปเห็นจริงๆอย่างสถานีรถไฟที่มันเป็นรถไฟปกติคนจะเยอะมากเป็นหมื่นๆนี่ไม่มีคนเลยคือหนูก็อยากจะไปดูเหมือนกันว่ามันมันจริงหรือไม่จริงว่าเอ๊ะมันมันเป็นอย่างนี้เหรอหรือมันแค่แบบเป็นแบบธรรมดาสถานการณ์ธรรมดา ก็แสดงว่าสถานการณ์มันก็คือไม่ธรรมดาแล้วอะค่ะ mm. ก็เลยก็เลยแบบพอพอเรามากินยาอย่างเงี้ยค่ะอย่างกินยาวิตามินซีก็ยังว่าเอ๊ะการที่เรากินนี่มันมั น, ม, นมันคือกิเลสไหมหรือหรือเราจะต้องแบบก็คือมีร่างกายเราก็ต้องดูแลมันไปหรืออะไรในลนนักษณะนี้หรือจะปล่อยเลยคือถ้าดูแลมันได้ก็ดูแลไปแต่ถ้าไม่มีแล้วมัวุ่นวายใจแนละมันจะเป็นกิเลสค่ะค่ะค่ะไม่มีวิตามินซีจิงแล้วก็ ไม่สบายใจแล้วอนี้หรือว่าเป็นจิเลสแล้วอ๋อไม่ค่ะม<ะ>ีก็กินไปไม่มีก็ไม่กินไม่เดือดร้อ น, นอตายก็ตายอยู่ก็อยู่อย่างนี้ค่ ะ, คะแต่ล ม, มีหน้าที่ต้อกินข้าวแล้วก็ต้องกินข้าวกินน้ำดื่มน้ำเนๆๆๆๆี่ยตามความต้องการของร่างกายค่ะก็ะ ค, ะคือหมายถึงว่าการที่เรามีร่างกายเราก็คือถ้าเกิดแล้วดูแลมันได้เราก็ควรดูแลดูแลมันแต่เป็นทุกข์กับมันถ้าดูแลไม่ได้ ค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ค <Okay. S 2> ่ะแล้วก็บอลซองเต้เหมือนเดวิดบอกค่ะค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์อ่ช่เดียวกันนะค่ะคุณประวทจวเทายไปไหอาทิตย์เนอะคุ็นประวิ์สบายดูนการบริกา ร, าราาครับอาจารย์ได้ยินครับมีอะไรไหวันนี้ออวันนี้มาขอพอครคบ อีกสองวันจะครบหกสิบเก้าปีครับผมอยังได้เลยอ๋อก็วันนี้ก็โดนหมอสั่งแล้วว่าไม่ให้กินอาหารสามสิบหกชั่วโมงครับทําไมนะอ๋อก็ไปตรวจเนื้อเนี่ยไปตรเนื้อไปไปทำ colonoscopy ครับอก็เลยไม่ได้เป็นอะไรนุ่มใจรับทราบหรือเปล่าครับครับไปเช็คครับทุกเอ่อตอนนี้หกสิบห้าขึ้นไปเขาก็ให้ไปเช็คครับ ไม่ลองเจริญสื่อสารอะไรไม่เคยแชิเนเนี่ยก็ทำตามที่หมอสั่งครับผมเช่นกระทำทนั้นแหละเวลามันจะเป็นห้ามันไม่ได้อยู่ดีมันจะตายก้ามไม่ได้อยู่ดีครับผ ม, บผมก็อันนี้ก็เลยก็บอกว่าก็เป็นการปฏิบัติทำไปอีกอย่างหนึ่งกันครับก็ก็ตอนนี้ก็พยายามทำสมาธิแบบ ขอทุกส่วนทุกอย่างขอให้เป็นพุทโธหมดไม่ว่าร่างกายการเมื่อยการอะไรก็จะอยู่ในพุทโธพอมันเข้าได้คํานี้แล้วรู้สึกว่าการทําสมาธิง่ายเข้ามากเลยครับมีสติทําให้ใจเย็นพอเอาขาก็เป็นพุทโธอะไรตรงไหนเมื่อยก็เป็นพุทโธไปหมดแล้วมันก็เลยมันไม่มีอะไรที่มันต้องมาห่วงเราโอ่นตอนนี้ก็เลยทําได้ ง่ายแล้วก็สบายขึ้นแล้วก็ยังคิดว่าก่อนที่เขาจะให้ยานอนหลับก็บอกว่าเราจะนึกถึงพุทธโทตลอดจนกว่าเขาให้ยานอนหลับหมดก็เหมืนนั้นหลับไป น, น, นั่นเองคือคือให้หลับ<ม>ให้ตอนที่เขาฉีดยาให้เราหลับนี่เราก็จะนึกถึงพุทโธตลอดจนกว่าเราหลับไปงก็คิดว่าตอนนี้เริ่มปฏิบัติได้ ดีขึ้นนะครหลังจากที่เข้าใจคำว่าพุทโธทุกส่วนแล้วก็มันก็เลยง่ายกับการทำสมาธิมากครับหับ <Monday>. okay. <Tyler. S 1> งพ่อมีอะไรแนะนำอีกไหครับก็อย่างนี้แหละให้มีสติไหมสตินี่สำคัญที่สุดตามด้วยปัญญาถ้าใช้ปัญญาก็อนิจจ่าไม่ที้งไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมดาอนัตตาเราเป็นสั่งไปห้ามมันไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ครับก็มีมีคําอันนึงครับเพื่อนที่ฮิลตันทั้งสามีภรรยาฉีดยาเข็มสามไปเรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรงสิ้นครับรู้เติมแล้วเขาเข็มสามเลยครับผมเขาเขาฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนตอนนี้เขาเกินแปดเดือนแล้วเขามาฉีดเรียบร้อยเขาเริ่มฉีดเข็มสามได้แล้วนะครับที่ที่ฮิลตันเท็กซัสเขาฉีดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เริ่มเริ่มฉีดเป็นเป็นยาอันเดียวกันกับสองอันแรกเขาบอกไหมว่าครับผมเขาฉีดมโดน่าครับ เขาไม่ควยนะเขาใช้อันไหนเขาไม่ควยครับไม่ควยเขาเขาจะรีควายฉีของของฮิวสตันเขาเริ่มหนักกับหนักกับที่ดารัตเยอะครับเพราะว่าเขาเริ่มตั้งแต่เดือนยูรุนของปีปีปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับเขาได้ขีดเข็มสามกันเรียบร้อยแล้วของผมนี่ก็รออีกอีกสองเดือนเพราะผมของที่ดารัตเนี่ยเราเริ่มมาพีกกันตอนเดือนมาร์ชแล้วพวกผมก็ฉีดยากันเดือนมาร์ชก็เขาต้องรอเป็นโนเวม ber จะฉีดเข็มสามครับพาหมอเขาจะ มาบอกหรือเราจะไปเดินไปฉีดเองก็ได้ครับแต่ครแปดเดือนภูมิจะภูมิจนลออกไปเรื่อยๆนะหลังจากฉีดครับผมแปดเขาบอกแปดหลังจากแปดเดือนแล้วก็ให้ไปฉีด booster shot ครับตอนนี้ฉีดได้ทุกแห่งเลยครับตอนนี้จะเป็นค่ามท่มวัวหมากแค่ไอไฟดีครับผมมันมันมันไม่มันไม่น่ากลัวครับว่าขห้คนฉีดกันนะมันหายได้ง่ายกว่าครับ ก็ขอให้เจ้าข้าปลอดภัยอายุยืนยาวนานกันล้วกันนะสําหรับวันเกิดสุตเวสครับสาธุครับขอให้ได้เห็นได้เป็นการพระพุทธเจ้าแล้วโอเคเดี๋ยวก็พากมาเที่ยวเมืองไทยได้หรือไม่น่าพากลับมาเที่ยวเมืองไทยได้โอ้ยอยากกลับมากครับเพาะตอนนี้เมืองไทยเราก็ฉีดกันทุกวันแล้วนี่คือวัคซีนยาๆการฉีดก็ฉีดสองนี่ยังครับฉีดแล้วฉีดมาสองาทิตย์ก่อน เพราะว่าเช็คกับพี่สาวพี่ชายคนโตก็เหมือนกันบอกว่าวันที่สิบแปดเดือนนี้จะไปฉีดเข็มสองกันพราฉีดเดือนที่แล้ววันที่สิบอ็อพระอาจรเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้รอเข็มสามอย่างเดียวแล้วแทุกเดือนแปดเดือนครับแปดเดือนแเดือนครับไม่มีอะไรครับให้คนอื่นเขาได้ เข้ามาสนทนาตามก็ฟังอยู่รอบๆตลอดครับก็มีธรรมะบ้างมีธรรมโมบ้างมีธรรมเมาบ้างสองมันไปชอบชอบชอบที่พระอาจารย์ตอบปัญหาของวันเาร์ครับที่ที่มีคุณหมอถามปัญหาครับอันนั้นอันนั้นชอบฟังครับอ่าเป็นเป็นเป็นเป็นการตอบปัญหาที่เก่งมากครับผมโอเคหาทุกหาทุก คุณสุปัฒนาคุณสุปัฏนาจากบอวินเปิดไม้ก่อนกล่าวในวัฒน ก, การพระอาจารย์นะคะ ว, ว่ามามีอะไรไหมก็ถ้าถ้าจะขอรุญาตถามว่า อ, อ, อาการของการที่อยู่ในปฏิมร์เนี่ยเป็นอย่างไรได้ไหมคะพระอาจารย์ถึงเวลาที่จะปฏิมา ก, กัค่ะปฏิมั์ไมมีอะไร หมายถึงว่าปฏิมากปฏิผลนะคะอาจารย์อยู่ในกระแสของปฏิมาหมายถึงว่าเราเราการปฏิบัติธรรมนี่ใช่ไหมเจ้าคะคือต้องการจะเข้าสู่ระดับกระแสของมรรคเนี่ยต้องผ่าน่า น, านสมาธิอภปนาสมาธิก่อนเดี๋ยวยังมีกำลังเข้าไปด้วยการเจริญพิจารณาไตรลักษณ์แล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระแสพิจารณาร่างกาย พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงขาดแกระเจ็บตายไม่ยช่ตัวเราของเราจนกวเ่ว เ, รวเราจะปล่อยได้พี่โค่ะพอดีว่าวันนี้มีมีมคลิปที่พระอาจารย์ตอบว่าเ อ, อ ม, มีมีโยมถามว่าเ อ, อการที่เราจะผ่านอันนี้เป็นแค่เป็นแค่ไม่ใช่เป็นไม่เหมือนเป็นความอยากอะค่ะแต่ว่าก็เป็นเป็นได้ได้ความรู้ด้วยก็เลยขออนุ ญ, ญาตถามพระอาจารย์นะจ๊ะค่ะที่ว่าเออ เราจะได้ถึงท่านโสดาบันเนี่ยจะต้องจะต้องมีชา้นก็คือการมีสมาธิขั้นอัปปนาค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็เลยว่าเออเป็นอย่างน้อยก็เป็นความรู้เพราะว่าปัญญาสมาธิเรื่การที่ไม่ต้องตายแต่เรายังปล่อยมันไม่ได้เพราะเราไม่มีอุเบกขาใช่ไหมคะก็จะก็จะเพียรฝึกไปค่ะ้ค่ะตอนนี้ก็มีฝึกสติสมาธิแล้วก็ เพิ่มขั้นที่ว่าเบียดไม่เบียดเบียนขึ้นมาอีกอันหนึ่งจ้ะคะเขาจะดีนะคะได้สมาธิเมืนะ่อไหร่นั่งพอเห็นร่างกายไม่เที่ยงเขาปล่อยได้นะคะอันนี้เห็นมันไม่เที่ยงกับกลัวมากกว่าปล่อยอแต่ถ้าถ้ามีอุเบกขานีา่มันจะไม่กลัวมันจะเฉยมันจะปล่อยออนะคะนะคะโอ้ ก็เท่านี่ยงที่พระอาจารย์ต่อยาวข้ามขั้นตอนพยายามฝึกสมาธิให้มากๆให้ประโยชน์เด็กขาเยอะๆนะปัญญาเรามีพอมีกันเยอะแยะแต่จะเอามาใช้ให้มีประโยชน์เนี่ไม่ได้ต้องขาดเด็กขากค่ะก็เพียรอย่างที่พระอาจารย์สอนว่าให้ไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะพระอาจารย์นี่นัองเสียมันต้องไปเป็น เดับประถมมัธยมมัธมศึกษาไปจิตเรามีกำลังน้อยต้องต้องก้าวไปทีละขั้นกําลังก็จะมากขึ้นมากขึ้นค่ะใจเย็ๆยนะไม่ต้องวไม่ใช่ <c oughs> แค่แค่ว่ามั น, นอาจจะแบบว่าพอพอเราทําไปได้ยินเคยได้ยินพระอาจารย์เทศว่า ปฏิมากปฏิผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากทราบว่าเอ๊ะการอยู่ในปฏิมากมันเป็นยังไง้ะค่ะอาจารย์อยู่ในท่านพิจรณาตายรับของร่างกายเราเรียนเรื่องเทาศูนยาปฏิมากนะค่ะพิจารณาเพื่อปล่อยวางจริงๆไม่ได้กดแต่ก็ปล่อยได้เจ็บก็ปล่อยได้ตายก็ปล่อยได้คือการปล่อยด้วยอุเบกขาโดยใช้ปยาใช่ไหมคะอาจารย์คือไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมัน มีกวัวความเจ็บไม่กลัวความตายไม่กลัวความแก่ขอบคุณเจาค่ ะ, ะาอาจารย์นี่คือหมอสุทัศนีจันทอยู่ปฐุมใช่มนกวัฒบุรจำได้ไอยู่ปทุมธานีเจ้าค่ะปมีนนคำถามอะไรหมอวันนี้รบกวนคำถามเจ้าค่ะอาจารย์ค่ ะ, ะการที่เราปล่อยวา ทุกขเวทนาทางกายได้ไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาทางการเจ็บไข้ในป่วยหรือทุกขเวทนาจากการที่เรานั่งสมาธินานแล้วเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาการที่เราปล่อยไ ด, ได้หลายหลครั้งอย่างเงี้ยปล่อยได้ส่วนใหญ่ทู้จะใช้ปัญญาก็คือใจรักเจ้าค่ะเข้ามาด<ม>ับทุกขเวทนาซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเหมือนไม่สบายเป็นไข่อยู่สามวันเจ้าค่ะแล้วก็มีอาการคันเนื้อคัดตัวค่ะ อก็เลยลองใช้ปัญญาก็คือใช้ใจรักพิจารณาร่างกายว่าเป็นใจรักเจ้าค่ะรู้สึกว่าใจตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มีความกังวลเจ้าค่ะแล้วลก็ปล่อยได้โดยที่ไม่ต้องทานยาแก้ปวดไม่ต้องทานยาอะไรเลยพอวันที่สี่ที่ห้าที่หกเราก็สังเกตมันมันก็หายเองเจ้าค่ะแต่างนี้หนูอยากยังนี้หนูอย่างคค่กค่ะ ออยากทราบว่าการที่เราปล่อยวางทุกคธคุพิทนาทางกายได้ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยวางการความตายได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่คนอนเร์ตเนื่องกันความตายก็ต้องเจอเหตุการณ์ที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายเป็นเครื่องบินจะตกนี่จะเสื่อนั่งเครื่องบินแล้วเกิเครื่องเสียเนี่ยมันหรือว่านนเราตื่เต้นตกใจหวาดกลัวหมดหัวหรือว่าเฉยๆอ่ะนั่นจะเป็นในมัตติลาอาจจะต้องไปหาที่ที่มันมีความ มีเหตุมีสิ่งร้ายแรที่อจะทาให้กิดทางท่านเสื่อมวาร า, า จ, จะตายก็ได้จากจากการด้การน์น่งดูใชว่าเราเาทำใจเฉยเหมือนกับเราเฉยกับทุกขเวท น, นาดได้บางทีต้องไปอยู่ในปา่าคนเดียวป่าช้าเรืออร่อยที่มันน่ากลัวมันดูใจเรายัางตัวหรือเป่าเจ้าคเข้าใจแล้วเจ้าัน มีนะท่านี้แ ม, มีเท่านี้เจ้าค่ะสาวมาฟังด้วยเนะ ช, ชื่อใจขคุณกลาบพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีตอนอ่าตอนที่ป่าวเป็นไข้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นไข้แล้วก็ปวดทั้งตัวเลยค่ะอ่าแต่ก็ระลึกถึงคำพูดท่านพระอาจารย์เสมอท่านพระอาจารย์บอกไว้ว่าตั้งแต่ท่านปวดมาท่านไม่เชไม่เคยฉัดยาแก้ปวดเลยเราก็เลยลองเอาเอาปัญญามาใช้ดูเจ้าค่ะ ก็รู้สึกว่าได้ผลดีเจ้าค่ะไม่ได้กังวลเลยค่ะแค่คอยเฝ้าดูมันว่ามันจะมันจะเป็นยังไงต่อเจ้าค่ะใช่ก็่อยู่ประมาณไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันรักษาประมันเองค่ะมีมีประโยชน์มากเลยเจ้าค่ะใช่เขาเรียกว่าธรรมโอสดเนียสติปัญญานี่ยเป็นธรรมโอสดค่ะพระอาจารย์ค่ะมีส่วนไหมเจ้าค่ะว่า การที่เราสามารถบางครั้งที่เราสามารถเข้าสมาธิได้เราเห็นร่างกายเราเห็นจิตเราแยกออกจากร่างกายชัดเจนมันก็เลยทําให้เราพอที่จะปล่อยวางค่ะทุกเขเวทนาได้เจ้าค่ะก็เป็นส่วนแต่ส่วนที่ได้ปล่อยวางได้ถท้จริงก็คือการหัในใจละในเวทนาในร่างกายเจ้าค่ะลูกหมดคําถามแล้วค่ะจะพยายามปฏิบัติต่อไหมล่ะสริมไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆซ่อมไปเรื่อยยังสงสัยอยู่เจ้าค่ะว่าอ่าเราอาจจะเจอทุกขเวทนาที่มันไม่ค่อยรุนแรงหรือเปล่าอ่าอาจจะเจอปวดฟันเนี่างทรมาร์แทนทรมาร์ใช่ไทุกวันอ่ะถ้าดูซิว่าเกิดมันไปปวดตอนดึกดึกเดินๆจะต้องโทรไปหาหมอไปโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าทนไปให้มันสว่างก่อนต้องไปนอนโรงพยาบาลไหะคะ เจอแล้วเจ้าค่ะมระอาจาคะปวดฟันเป็นตอนที่อ่าปิดคลินิกพอดีเจ้าค่ะก็อยู่กับมันไปหลายวันเหมือนกันค่ะจนกว่าจะหายแต่ไม่ต้องใช้ยานะเจ้าค่ะหายเองก็ค่ะใช้ใช้โรเบคขารักษาใจนะค่ะขอบพระคุณพอาจารย์มากเจ้าค่ะค่ะสบายใจคุณมาเลยเชิญต่อบคุณมาเลยตอนนี้อยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่นครนายก อยู <pouch. S 1> with with ่ท <c othes> so, like so, ี่บางโวท้องค่ะหลวงพ่อบางโมทองคงพ่อหลวงพ่อได้ยินไหมคะพอดีที่บ้านฝนตกนิดจไม่ค่อยได้ท่พูดดังเลยเสียงค่อายเลยหมดเยได้ได้ยินเลยยังเขาเราเอาที่พูดเอามาใกล้ใกปากนะท่านพูดดังๆได้ได้ยินไหมคะได้ยินดับคไม่เไเดี๋ยวจะเล่นเสียงอันนี้ก็ไ้หลวงพ่อพูดหลวงพ่อได้ยินไหคะได้ยินได้ค่ะหลวงพ่อ คดีหนูข้อปฏิบัติอยู่ทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่ามีสติดีๆเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันจะนั่งสมาธิได้ดีมันเหมือนกับเราเริ่มเริ่มต้นเดินทางจะไปไหนสักที่นึงค่ะก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมาขวางจนจะใกล้ถึงจุดหมายเนี่ยแต่ว่าใจอ่ะมันมันเป็นนึกเหมือนแบบว่าฉันจะถึงแล้วนะฉันก็ถึงเงี้ยมันก็มีหลุดออกไปข้างนอกค่ะหลวงพ่อ แล้วหยุดหยุดความคิทั้งเสร็จกําบมากลัมาอยู่ที่สติต่อค่ะก็ก็พยายามเอ่อระงับความคิดแล้วก็ให้วางวางทั้งกายวางทั้งความคิดเนี้ยเพื่ อ, เ พ, อเพื่อให้มันอยู่อ่ะค่ะหลวงพ่อมันเหมือนต้องบังคับเพื่อให้มันให้มันสงบให้มันนิ่งอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อใช่ต้องใช้สติ บ, บังคับใจงั้นเดี๋ยวมันไม่ช่าไปคิดนิ่งคิดนิ่ค่ะหลวงพ่อคือคือ พมันมันถ้ามีสติดีมันรู้สึกมันดีมากมายเลยค่ะหลวงพ่อมันนั่งได้ดีอ่ะค่ะแล้วก็ไอเรื่องความเจ็บปวดอะไรเนี้ยค่ะมันก็นั่งก่อนที่หนูจะเข้ามาฟังเนี้ยหนูก็รอรอรอช่วงเวลาเนี้ยหนูไปปฏิบัติลงมาเนี้ยคือนั่งยาวมาถึงแปดโงสิบห้านูก็ลงมาเข้าอันเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วพอรู้สึกว่าดีแต่พอใกล้แบบจะถึงแล้วก็จะถึงแล้วจะถึงแล้ว ทีนี้ยคือคงไม่ได้แล้วค่ะหลวงพ่อกเราไม่ใช่เสติจต่อเนี่ยเรามานั่งปุกปลุกแตงมันจะถึงจะถึงมันก็เลยมันก็เล ย, มเลยไม่จไม่สงบขึค่ะหลวงพ่อหนูก็จะพยายามแล้ ว, แ ล, วแล้วทีเนี้ยพอพอนึกถึงคําคําที่หนูฟังเทศนะคะที่บอกว่าวันเวลาล่วงไปแล้วโมทําอะไรอยู่ตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อตรงตรงเนี้ยมันทําให้ให้เราต้องนึกถึงว่า เรากําลังเดินเข้าไปหาเข้ากับความตา ย, าตายทุกไม่ใช่ทุกให้นึกถึงไม่ใช่ว่าทุกวันแต่นึกถึงทุกนาทีเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่เราจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบเร่งทำงานที่เราควรจะทำการทีท่ไม่ควรจะทำก็ยังได้ตัดไเสียแล้วการที่เรานึกถึงอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้ามันจะทําให้ให้ให้ใจเราเนี่ยเห็นความเป็นจริงแบบ อย่างแท้จริงใช่ไหมคะทางปัญญาอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ส่วนหนึ่งแต่มันจะเห็นจริงๆก็ต้องเห็นเมื่อเราคนหนยตายต่อหน้าเราเห็นไหมดี ๆ, ๆเขาก็ตายเห็นไหเราก็อาจจะเป็นหนึ่งนั้นกับเข า, าได้หลอแต่การคิดนี้เพื่อให้เราให้เรารู้ว่าเรากําลังทำอะไรที่ควรจะทำหรือไม่ที่ไม่ควรทําถ้าถ้ามันจำเป็นจะทําให้มันน้อยลงหรือ ทำท่าที่จําเป็นพ อ, พอทํางานที่มันจําเป็นเรื่องการปฏิบัติดีกว่าปฏิบัติทำแล้วแล้วพอพอนึกพอคิดแบบเนี้ยค่ะมันก็ทําให้ใจอ่ะนึกว่าอ่ะถ้ามีเวลานะจะมากน้อยมันจะวิ่งขึ้นไปนั่งปฏิบัติเองนนี้ค่ะหลวงพอ่อนั่นแหละถูกต้องนะแทนที่จะไปเปิดทีวีดูไปหาขนมกินก็ปฏิบัติธรรมดีกว่าค่ะแล้ว แล้วทีเนี้ยพอมันมานึกถึงตรงเนี้ค่ะหลวงพอ่อแล้วมันมีแบอบกว่าถ้าเหมือนเราเสียเวลาไปเนี่ยแล้วก็ถึงเวลามันจะมีธูสีมาเตือนเราเนี่ยมันอะไรนะเทวธูสีเทวธู ส, สกีก็เหมือนกันก็เหมือนความความตายก็เป็นธูนเป็นสิ่งที่ที่แก่ก็เริ่มเริ่มจะเห็นแล้วใช่ไหมคะแลผมขาวเนี้ยก็อ่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเออมันเป็นมันถึงเวลาเราก็ต้อง ต้องผ่านทุกคนต้องแก่ทุกคนแบบนี้ใช่ไหมคะคือ เ, เราเราเริ่มคิดถึงมากๆขึ้นเราก็เลยลืมน้อยถ้าเราไม่คิดถึงมันแล้วว่าเหมือนกับามาันเราก็เลยลื ม, มว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็ตบต้องตายค่ะแล้วแล้วทูตที่สี่อย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อนั่งปวดไงนั่งปวดก็คือเราต้องตายคก็ก็เทิ่ยวปดไปบวดดีกว่าไปปฏิบัติธรรมดีกว่า ค่ะหลวงพ่อก็คือให้สุดท้ายก็คือว่าถึงวันอยู่ว่าในปฏิบัติธรรมนี่ไปจะได้เอาธรรมะมาช่วยดับความทุกข์ต่างๆในจิตใจให้หมดไปค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วที่บอกว่าถ้าถ้าบุคคลที่เข้ามาสู่เส้นทางนี้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้นึกว่ามีจุดหมายถึงแน่นอนแต่ว่า ถ้าถ้ามีความแน่วแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อถึงแน่นอนแต่ว่าอาจจะช้าเมื่อไหรแต่ว่าให้ให้ยึดไปแนวเนี้ยถือว่าถูกถูกแล้วใช่ไหมคะหลวงพอ่อได้ก็เหมือนถนนน่ะถ้าเราอยู่บนทางทางทางถนนเชียง้าย เ, เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการถ้าเราอยู่บนถนนเช่นนั้นขับไปเรื่อยๆอมันก็ถึงเองไมช้าก็<ด>เร็วแล้วแต่รถเราช้าหรือเร็ว หนูเ<ม>ข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อแน่ okay, นะหนูทำนี่แล้วค่ะก็ะพยายามปฏิบัติต่อค่ ะ, ะได้เดิัไปทำต่อไปนะคุณจอยจากนนทบุเรย์อะไรอะไรมีอะไรไหมขอวันเสาร์นี้จะได้ฉีดวัตรฟรีแล้วค่ะวัดเข็มแรกเหรอใช่ค่ะเข็มแรกฉีดฉีฉีดแล้ว ฉีดวัคซีนเข็มแรกจะโทรมาะไอ้จะเข้ามาหาขว้าจาให้โวยพรรอนะคะมันไม่ต้องโวยพรเรายาเป็นดีอยู่นะเรายังฉีดเลยอ๋อตอนแรกการได้ได้ฉีดคือว่าได้พรแล้วรู้ไหมถ้ายัง <รอ S 2> ไม่ได้ฉีดเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้พอนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ต้องกลัวหรอกไม่เป็นอะไรเราคนฉีดกันเป็นล้านกี่ร้อยล้านคนแล้วนะค่ะว่าไม่มีอะไรก็ปฏิบัติอยู่ดูใจตัวเองอยู่ค่ะ S <S มีกิเดสมากวนตลอดเลยค่ะค่อยค่อยคอ ย, คอยดับกิเลส ค, คอยตัดกิเลสนะมันใช่แบบว่า ใ, ให้อภัยให้อภัอยคนตลอดเลยก็ให้อภัยไม่โกรธพยายามไม่โกรธพยายามไม่อะไรใคร <S <S ดีดีมียา<อ>มีมมอาวุธต่อสึ้กับความโกรธอ่าใช่ อ, อะไรอ่าอ่าปะทุค่ะอ่ามันมันให้จะเบาเป็นยังไง เราเรามาตลอดเล่าใช่ไหมคะประวัตการก็ค่ะอาจารย์ไม่หนักหนักใจกับอะไรแล้วนะเบาเจ้าค่ะเจค่ะพระอาจารย์หลวงหายมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแล้วค่ะช้านะถ้ายาไม่ไหวนี้เดียวแล้วค่ะคือเมื่อก่อนก่อนที่จะปฏิบัติธรรมแล้วค่ะพระอาจารย์โยมจะแบบโกรธง่ายอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะพอเมื่อสองวันก่อนนะคะโยมแบบซุ่มซ่าม ไปชนกับประตูเจ้าค่ะปากโยมาฉีกทะลุเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ทะลุพอทะลุปุ๊บจิตมันเหมือนกับมันเ จ, เ, เ, เจ้าค่ะไม่ได้โ mm hmm. เจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. รู้เลยว่าอ๋อสมัยเด็กๆ เ, เธอไปตกปลาดิเองตก oh. ตกเบ็ดเล่นเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เหมือนแบบ จำตามทางเลยนะโยะบ่าโอ้ใช้กรคำให้ปลาก็ไม่กวดเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ไม่กินยาปล่อยมันนะคะฉีกแบบทะลุสองด้เลยเจ้าค่ะแต่ก็ไม่เยอะเจ้าค่ะนิดเดียวเย็บไม่ต้องเย็บเจ้าค่ะก็ก็โอเคเจ้าค่ะก็บวมบวมนิดนึงดีเจ้าค่ะรู้สึกโอ้เห็นทันตาเลยมันมันเหมือนแบบมันจําได้เองเจ้าค่ะพระอาจารย์ ว่าว่าประมาณนี้เจ้าค่ะแล้วก็คุมจิตของเราได้ให้เฉยเได้นะเจ้าค่ะคุมเฉยเฉยได้เจ้าค่ะอย่างอื่นก็ไม่ไม่มีอะไรเจ้าค่ะโยมก็ปฏิบัติเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้โยมไม่ค่อยได้นั่งสมาธินานๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่โยมไปวัดมาเหยยยงอ่ะประมาณเจ็ดเดือนโยมจะลองดูว่าจิตโยมอ่ะกิเลสมันถ้าเกิดเราไม่นั่งสมาธินี่มันจะ โผมาให้เห็นเยอะไหมยเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ทดลองดูเจ้าค่ะก็โยมว่ามันยังมีความฟุ้งแต่ว่าเรื่องโรคกดหลงเนี้ยมันไม่มีเจ้าค่ะคิปว่าแล้วเจ้าค่ะเพราะว่ามันไม่เจอเจ้าค่ะแต่ก็ยังมีความฟุ้งแล้วก็บางทีตอนนั้นค่ะเจ้าค่ะโยมนั่งสมาธิแล้วมันออกไปทางอุปสาระด้วยค่ะพระอาจารย์มันมัน แต่คุยพายจารย์ได้ใช่ไหมนะคะมันได้ยินเจ้าค่ะมันได้ยินในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดกันที่แบบไกลๆอย่างี้เจ้าค่ะอาจารย์ได้ยินควาคิดของคนอื่นได้เจ้าค่ะมันแต่ว่าตอนนั้นไม่ใช่โยมไม่ได้นั่งสมาธิเจ้าค่ะโยมนั่งไปแล้วแล้วก็มันเป็นช่วงที่เราออกจากสมาธิเรากําลังทํางานอะไรอยู่แต่แต่เราก็พูดโทรศัพทเราก็ภาวนานเรื่อยๆองนี้ยจ้ค่ะอยู่มันก็ได้ยินขึ้นมาชัดแจ๋วเลยโยมหันป๊อบเลย วิ่แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงแบบเรื่องที่เรากําลังอยากจะรู้พอดีอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่โยมไม่เคยใช้ตั้งแต่นั้นมายมก็ไม่เคยใช้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก็คือปฏิเสธโยมปฏิเสธอุปจาระสมาธิเออยอะเจ้าค่ะแต่มันดันโผล่ไปอย่างนี้ก็เระบางครั้ามาพิจารณาว่าเป็นตาแล้วเจ้าค่ะาบางทีก็เห็นเป็น เห็นบางทีก็เป็นได้กลิ่นได้ยินแบบนี้ค่ะเจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้โยมก็ไม่ได้นอนเจ้าค่ะไม่ต้องไปูดอะไรไม่ต้องไปมีอะไรเจ้าค่ะโยมไม่เคยก็ไม่อยากจะเล่าเยอะอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์เเจ้าค่ะโยมต้องได้กินยาแล้วก็ฟุ้งเนี่ยเจ้าค่ะแต่มันจะมีเรื่องฟุ้งก็คือมัน นั่แล้วมันเป็นจำนั่ฟงก็เป็นกีเลนเหมือนกันถ้ามันนั่งแเป็นกีเลนเจ้าค่ะมันเป็นจําเป็นเป็นกีเลนที่ละเอียดเจ้าค่ะมันอยู่ลึกแบบว่าบางทีโยมไปติดไปติดอดีตไปติดอะไรนี่ไม่ได้เจ้าค่ะมันจํามันจุบันเจ้าค่ะมันคล้ายๆกับว่ามันจําเรื่องก่อนที่จะมาเป็นชาตินี้ประมาณเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เป็นโอ้สนุกสนานมากเลยแต่ตอนนี้โยมไม่ได้ อะไรกับังเจ้าค่ะก็คืออยู่ก <us well> ับปัจจุบันเนี่ยทําทําถูกใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้ามีเวลาอยากจะดูไปก็ได้เป็นแบบวูแก็อยากจะยึดไปติดมันเจ้าค่ะดูหมืนเป็นละครเหมือนกับว่าถ้ามาประมาณอย่าไปติดในทางเดินเดจิตใจเมื่ดูลรักษาจิตใจเจ้าค่ะยุคดิเรกมันมาตำาบกมาที่ข้างหลังเราเจ้าค่ะตอนนี้โยมเวลามันจําอะไรได้ ที่อันนั้นโยมก็จะอ๋อเหมือนเหมือนกับว่าให้ให้รู้ว่าอตอนนั้นเป็นเหตุอะไรที่เราต้องมาเป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะยามาใช้รประโยชน์อย่างนี้ระวกิเลสตัวตามันจะมาเพราะไ่าเราเก่งแล้วนะเรารู้เรื่องไม่เก่งเยอ่ระวังตัวัวนี้ก็แล้วกันต้องค่ะตัวมานะที่ถิคือเป็นตัวที่คิดว่าเราเก่งเราเก่งอะไรอเงี้ยใช่ไหมคะเหมือนเทวดาศนี่ยนะ ในวัดท่านก็มีอุปจาระสมาธิเหมือนกันเจ้าค่ะแล้วคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพวกพุทธเจ้าเจ้าค่ะเมื่อก่อนโยมว่าโยมตียดสมาธิตอนที่โยมปฏิบัติใหม่ๆแล้วมันมันสงบสุขมันมันเย็นเย็นองนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ทีหลังมาพอโยมลองไม่ปฏิบัติดูเออมันก็อยู่ได้แต่มันก็ใช้ปัญญาพิจารณาเอาแบบเนี้ยได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช้ปัญญาร้าษาคามสงบจอบได้เจ้าค่ะ อยู่ไปเรื่อยๆแบบเบื่อๆใช่ไหมย่มแบบถ้าเบื่อีลนะ้ม่ะ <laughs> ื่อมัน <laughs> ถ้าเบื่อมากก็ต้องใช้ปัญญาดับนเจค่ะคือถ้าจะไปเบื่อกับอะไรเบื่ อ, อก็อยากอยากจะได้อย่างนี้ไม่มถึงเบื่อไม่ไม่ใช่เจ้าค่ะมันเบื่อเบื่อโลก คือรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้ไม่อยู่ไปอย่างนี้ยอย่าห้เบื่อเลยแล้วเป็นกิเลสจ้าค่ะได้เจ้าค่ะจะได้รู้ตัวว่าอ๋ออันนี้คือกิเลสตัวนึ่งเบื่อก็เบื่อก็กิเลสอยากก็ก็กิเลสเบื่อๆอยากกต้องอยู่ระหว่างความเบื่อความอยากคือเชิงเฉยเจ้าค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่การนั่งสมาธิแล้วเป็นอุเบกขาใช่ไหมเจ้าค่ะพี่อาจารย์มันต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาแลทุกอย่างเป็นใจแล้ว เจ้าค่ะมันเราทำอะไรไม่ได้เหมือนเยินค้าอากาศเจ้าค่ะบางทีแบบคุณโู้นคุณนี้คือวันยังอยู่ในที่ทํางานก็ก็เหมือนยินฟ้าอากาศไปวันนี้เป็นเหมือนฝนวันนี้เป็นเหมือนแดดไปเจ้าค่ะอยู่แบบเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นก้อนหินอยู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ไปไปใจแลรับรู้เฉยๆสักแต่ว่าต้เฉยๆเห็นก็สักว่าเห็นไจะยินสักต่ว่าจะย แต่ไม่มีอาการเดือดไม่อยากขับสิ่งที่เรารับด้ยอ๋อเจค่ะอันนี้ดีเลยแบบละเอียดเจ้าค่ะโยมก็กระลังแล้วโยมจะต้องทํายังไงต่อจ้ะคะพระอาจารย์ต้องกลับมานั่งสมาธินานๆเพื่อจะไปตัดก็จะช่วยได้แต่าพอมากอย่าทิ้งสมาธิก็จะได้ตัดได้เร็วท่านอาจามีการมันเร็วขึ้นเพราะมันท้องละเอียดถ้าเรานั่งสมาธิจิตแล้วเข้าไปเลื่อนขึ้นแเราก็จะเห็นมันได้เร็วขึ้น เจ้าคะ่ะอ๋อเจ้าคะ่ะพอม<ต>ขยับขึ้นมาป<อ>ั๊บพอมันจะเบือ่อก็คุณก็เห็นทันทีพอมันจะเบื่อมันเห็นทันทีแต่ถ้าเราขยับขึ้นมาอีกนิดพอเห็นว่าเบือ่อปุ๊บก็รู้ว่าเบื่อแล้วมันก็ดับลงนี้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เราไปใช้ปัญญาเพื่อมันจะได้ไม่เบือ่อเพราะฉนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นอย่างนี้ <laughs> โยงแขนแขนใบลาออกดึงกลับแขนใบลาดึงกลับที่เมันจะเป็นที่เบื่อก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไมัก็เลยเ่อเจค่ะค่ะแต่เบื่อของโยมนี่มันก็เบื่อแบบว่าอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ถ้าติดโควิดตายก็ก็ได้หมดหมดหมดของปัญหานี้ไปอะไรอเงี้ยเจ้าค่ะตอนนี้นะเจ้าค่ะ แต่ก็ไม่ได้ว่าจะเอาตัวเองไปเสี่ยงอะไรเงี้ยนะคะก็ป้องกันเต็มที่เจ้าค่ะใช่ขอให้จเฉยๆแล้วกันเจ้าค่ะพระอาจารย์ยมมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์กลับขอบพรคุณเจ้าค่ะอยู่ที่สุโขทยเจ้าค่ะยมไม่ได้เข้ามาสามติแต่ว่าฟังอยู่รอมนอกเจ้าค่ะไม่เป็นไรสาธุ เจ้ า, าค่ะภาษาจีด้วยเมื่อเมื่อคืนฟังเจ้าค่ะเมื่อคืนฟังก็คุยกับแฟนคุยถ้าฉันเข้าไปนะต้องโ no น้ <laughs> ตเพชั <laughs> ่นแน่เลยไม่ค่อยเก่งเจ้าค่ะแต่ก็จะพยายามฝึกเจ้าค่ะเผื่อเป็นประโยชน์เดี๋ยวต่อไปเวลาคุยเรืต่างชาติจะได้รู้จักใช้คําศัพท์คํำใช้ต่างๆที่ เ, เข้าใจได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุเจ้าค่ะเป็นคุณลน์ผลต่อกุศล ไม่มีคำถามไม่มีคำถามไม่มีคำถามเจ้าค่ะไม่สั้งต่อไปนะจะชิจาครบสองเข็มด้วยนะรอบแรกๆเลยครับเป็นเชนเนลแวร์แค่ต้องซ้ำเลยต้องซ้ำรอครับถ้ามีโอกาสวันอาทิตย์อาจจะได้ไปไปไซบาศรีบัตครับ แ้่เวลาจะคุยกันก็น้อยนะเวลาใส่บาตก็น้อยแตบทักทายได้ครับฝนตกเยอะไหมครับอาจารย์ครับช่งวงเช้เาเช้าแต่ฝนตกตอน ต, ล ต, ลตลีสี่พอใกล้เวลาบินบากมันก็บินาบาลงนะม่ร้อนนักอาจารย์เราจะเปิดให้เข้าไปฟังเทศได้อนน่าคงจะตอนน้องรอให้โรงเรียนเปิดนะเพราะมันเป็นโรงเรียนพร้อมโรงเรียนถ้าโรงเรียนก็เปิดได้ก็แสดเราก็เปิดตามนี้นก็ได้ ฟังขั้ตอนนะครับก็ฟังแบบนี้นะ้อวกั น, นครับโอเคกาแฟจากเซลา่าคุกาแฟมีอะไรกาแฟยังไม่ได้ป่อยาฟังทำครับแล้วก็ทางานไปด้วยครับคือวันศุกร์นี้ครับผมฉีดวัคซีนแบบไข้ครับ พอฉีดเข็มสองคือรู้ว่าจะต้องปวดนะครับก็กําลังเตรียมรับความปวดก็คือหยุดงานสองวันนะครับเมื่อกี้ได้ฟังธรรม ก, ก็ก็ได้เรื่องว่างูเบกขาครับแล้วทีนี้ก็มีธรรมะอะไรไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าอายุยังน้อยฉีดแล้ก็จะปวดจะแบบนอนอะไรกันนะครับก็มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปเราหายใจเราเราก็ครับวางเฉยไปแล้วมันก็จะผ่านไปเมื่ออย่างมันเป็นใจล้วครับ ไม่มีครั บ, รบไม่มีอะไรนะครับโอเคตอนนั้นที่คุณเย็นจอดคุณเย็นอยู่ที่ไห น, นเย็นได้ยิไหได้ยินครับพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัด น, นครปฐ ม, มครับมีคถามไหมมีครับมารจอผมอยากรู้ว่าตอนนั้นที่ผมเห็นหลวงปู่ ม, มั่นนะครับ คือต่อหลังที่ผมจะนอนแล้วคือคือหลังจากเตียงนอนผมจะเห็นเป็นแบบเป็นเงาคืกแบบครับ <c oughs> คือเป็นเวลาผมนอนตะแคงก็คือเห็นนะเห็นเป็นรูปร่างหลวงปู่มั่นเลยครับเห็นวันนั้นวันนี้เห็นก็นเู้ว่าเห็นหนะ้วนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับคือตอนนั้นที่ผมนั่งสมาธิคือภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆครับนั่งแบบหลวงปู่มั่นนะครับก็คือพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วคือรู้สึกว่าจิตร่างกายเริ่มเบาๆอ่ะครับ แล้วก็รู้สึกว่าในในในในที่เห็นนะครับเหมือนเห็นเป็นเงามืดๆแล้วก็มีแสงไฟสีเขียวอ่ะคือมันเป็นจิตนึกไปเองหรือว่ายังไงล่ะครับพระอาจารย์อ๋อมันจะเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจขอให้เราอยู่กับการภาวนาของเราเรื่อยๆนะครับสวดมนต์พร้อมเรื่อยๆดูลมมันดูมันเรื่อยๆนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ว่าอย่าไปสนใจถ้าไปนสนใจแล้ว เ, เ, เราจะสมาธิเราจะเสีย แล้วก็สามาธิไม่ได้ ค, ครับขําคุรัอาจารย์โอเคนะครับคุปปาเมลัยจอมคุปปาเมลัยจอยวัวน้มัศการเจ้าค่ะศรราชาค่ะวันนี้เอาลูกสาวมาน้มัศการอาจารย์นะคะอะมีคําถามไหมค่ ะ, ะจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวลูกสาวค่ะในเรื่องของการฝึกจิตฝึกสมาธิค่ะเมื่อสักครู่เนี้ยมีการคุยกันแล้วก็ออ อาจจะมีคําโต้แย้งความตกเถียงกันนะคะพูดถึงเรื่องของจิตใจของของเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเขามีปัญหาเช่นเขาต้องการคําแนะนําเขาจะถามคําถามคนเยอะพอถามเยอะปุ๊บแล้วมันกลายเป็นต้องเหมือนชั่งน้ําหนักนะคะ่ะว่าอะไรดีไม่ดีมันทําให้เขารู้สึกคิ ด, ค, ดคิดเยอะไปอ่ะคะ่ะใช่อาจารย์ดตัวเยอะคิอว่าเป็นเรื่องของจิตและกันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเหมือน เป็นเหมือนั่งเรื่องของร่างกายร่างกายเวลนแล้วก็ไปหาหมอถามเรื่องร่างกายจิตใจเราเป็นอะไรก็มาถามพระก็คือต้องต้องฝึกด้วยกันที่ให้เขานั่งสมาธิเหมือนที่พระอาจารย์เคยแนะนําค่ะถ้านั่งสมาธิได้ปัญหาต่างๆก็จะน้อยลงแต่ว่าจะมีแต่แตแตมันไม่หมดมันจะหมดก็ต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาแก้ แต่ตแก้ด้วสมาธิก่อนนตามด้วยปัญญาเข็มสองปัญญาเข็มหน่าสมาธิก่อนค่ะมันก็เดี๋ยวยมก็จะพยายามชวนลูกนั่งสมาธิเจ้าค่ะนั่งสมาธินี้ก็จะจะเย็นแ้วเวลามีปัญหาอะไรก็จะใช้ปัญญาแก้ได้อย่างง่ายด้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะคมีท่านที่ไหนอยากจะถามไหมรล้วว่าูกสาว มึงลองให้มาแต่ว่าหลักๆคือเรื่องนี้ค่ะเรื่องเรื่องการฝึกฝึกจิตแล้วก็ฝึกสมาธิเจ้าค่ะโอเคหลังให้ฝนะึกสติบ่อยๆนนะทั้งวันฝึกสติในเวลาก็นั่งสมาธิไปโอเคนะเอาท่านี้นะคอับขอบคุณเจ้าค่ะเนีย่ยเป็นอาจารย์สายทิพย์ต่อตอนนี้อยู่คอนแกนนี่อยู่ กับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่ขอนแก่นเจ้าค่ะวันนี้อยู่ขอนแก่นค่ะมีอะไรไหมวันนี้อืมเมื่อวันก่อนๆค่ะได้ฟังธรรมของของพระอาจารย์ค่ะเรื่องของว่าเราจะโลกนี้คือละครแล้วเราจะเป็นผู้สแสดงละครหรือเราจะเป็นผู้ดูค่ะก็เลยได้เออแอบได้อจริงด้วยนี้เราก็เล่นเยอะไปเนาะนะคะ เ, เรา เ, เป็นค น, น<ด>ที่ติ แล้วก็เหนื่อยแล้วก็ต้องอคอ ย, ยต่ อ, อใช่ค่ะก็เลยถอย่ะก็เลยเงียบค่ะเริ่มเงียบขึ้นโซเชียลต่างๆที่เราเคยคุยเคยอะไรบ่อยๆอ่ดูนิสิตต้องไปคอยทักคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เงียบค่ะเงียบเลยตอนนี้คือ คือไม่ไม่ค่อยยุ่งสบายขึ้นสบายขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็อันนี้ก็ได้ได้สติขึ้นมาค่ะในเรื่องของเราเล่นมากไปเล่นเยอะไปหน่อยเล่นละครโลกเน่ยเยอะไปหน่อยค่ะใช่มาเป็นใช่ค่ะพอพอมาเป็นผู้ดูความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยความอยากพูดเราน้อยลงค่ะพระอาจารย์เราจะปากหนักขึ้นไม่ไม่ไม่พูด มากไม่พูดเยอะเหมือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ต่อมาอใจมันมันมีความคิดหรือว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ว่าเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าใครหรืออะไรจะตามเรามีรู้สึกว่ามันก็เหมือนพะน คือเราห้ามมันไม่ได้ไม่ต้องไปอะไรกับมันมันก็เกิดของมันไปเราก็เลยสบายสบายใจขึ้นเยอะค่ะพระอาจารย์เนมือนยอมรับได้ตัวอย่างเป็นธรรมชาติใช่ค่ะว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันก็เรื่องของมันมันก็ก็มันก็เกิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไปชอบหรือไม่ชอบก็เกิดก็เกิดไปอะไรเงี้ยค่ะพระสารใช่ถูกต้องนะในคือแนวของปัญญาค่ะก็เลยก็เลยสบายใจแล้วก็ไม่ไม่ได้ความทุกข์มันก็เลย ก็เลยหายไปเยอะเลยค่ะในความสุปล่อยวางได้ค่ะเหมือนแบบเอออะไรจะเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้างนอกที่มากระทบเรามันก็เหมือนฝนห้ามไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เกิดในใจเราบางทีแล้วก็เออมันก็มันบางทีมันสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองแล้วก็ยอมรับยอมรับได้อะไรอย่างนี้ยค่ะทีนี้ค่ะก็เลยเ อ, อตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ตั้งเวลาตัวเองว่าตื่นตีสาม เริ่มมาอ่าปฏิบัติธรรมค่ะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะอย่าทิ้งสมาธินะเพราะสมาธิเป็นฐานที่ทําให้เราเห็นความจริงค่ะก็เลยก็เลยตั้งใจมากขึ้นว่าตื่นเช้ามาก็จะมาอ่ทาทําวัดเช้าพร้อมกับที่เปิด y o u ูทูปก็ไม่ใช่เปิด y o u ูทูปเปิดเปิดเฟซก็จะมีบางวัดนะคะที่ท่านเขาท่านจะของวัดจะเปิด อทาําวัดเช้าเราก็นั่งทําไปด้วยค่ะแล้วพอหมดเวลาเราก็ค่อยๆไปทํากิจกรรมอื่นๆไปทํางานหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้<ม>สิ่งที่ขาดตอนนี้ยังที่จะเรียนถามพระอาจารย์ก็คือทํายังไงเราถึงจะได้มีสติอยู่ได้ทั้งวันค่ะพระอาจารย์มีเทคนิคหรือว่าอะไรยังไงที่จะต้องอยู่คนเดียวติดวิเวกพยายามตินนดวิเวก มันหยุดวันอะไรก็ไปหาที่เราอยู่คนเดียวไม่ต้องยุ่งเดี่ยวใครได้ไม่ต้องเป็นวัดก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถอยู่คนเดียวตามมันทำมันเราได้อหรืไม่ต้องมีปฏิกิริยากับคนรอบตัวเราก็คือพยายามอยู่กับตัวเองให้ให้ได้มากมากจีไม่คกทีเปิดที่เว้นไม่คุกทีก็คือไม่จําเป็นก็ไม่ออกมาอะไรมากมายกับคนใคร ไม่โซเชียสงบขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ค่ะก็ก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ตั้งใจทำสมาธิมากขึ้นค่ะวันนี้มีคำถามท่ท่านนี้นะ่า้ยงไงจะได้ไปที่ท้านต่อไปนะโอเคเสียงของมัมชางเงียบไปแล้วอานจะเป็ น, ปนหมอหน้าัา้งหดเลยเนหมอคอทมอ มีอะไรมีอะไรไหมอ๋อมามากราบนมำส ก, การพระอาจารย์ครับนะอะไม่ไมีมคําถามเลยครับเข้าไปที่ด้านต่อกันเลยนะที่คุณปิด น, นะเป็นชิญได้ยินไมครัได้ยินเจ้าขาพระอาจารย์ได้ยินไหมเจ้าคะยอยู่ที่ไหนอยู่อุดรเจ้าขาพระอาจารย์เข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าขามาร่วมรับฟัง ไ ม, ไม่มีถามนะไม่มีเจ้าค่ะและทกคนร yeah. ค บ, บริสเรายอมยอมบริสกับนมัส ก, การพระอาจารย์ที่มีคาถามเจ้าค่ะไม่มีคาถามนะค่ะพระอาจารย์จะไปอยูต่อจะไปอยู่ที่ไนมัสการครับพระอาจารย์ครับเข้ามารับฟังคนเดียวกันเลยคับ เข้ามากับพรอาจารย์ที่เฉยครับไม่มีคำถามครับอันนี้คนงานที่ยาสจาะงที่ยายู่ที่ไหนถามเปนมาสการครับพระอาจารย์เนีเพิ่งมาครั้งแรกอยู่ที่อุบลค่ะยังถามอะไรัหมมีค่ะเชิญถได้เลยคือถ้าเราจะต้องเผชิญกับความสูญเสียสิ่งที่รักผูกพันมากเี่ยแต่ว่าปลอบใจตัวเองต่างๆนาะนาะว่า เอกเขามีเวลาถึงแค่นี้นะแต่แบบมันมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าใจจริงๆมันปล่อยไม่ได้ค่ะมันมีความเจ็บปวดความเศร้าอยู่ค่ะก็ต้องลองทำสมาธิดูด้วยอย่างซึ่อย่างเดียวทำสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วมันก็จะปล่อยได้ค่ะพยายามนั่งสมาธิไม่พาส่วนนอนก่น้ว น, นั่งสมาธิไปให้จุดอยู่นิ่งๆเฉย แล้วพออยากสมาธิมามาคิดถึงเรื่องสอเสียมันก็จะเบาลงใช่มั้ยก็จะเบาค่ะแล้วถ้าเกิดถ้าถ้าเมื่อเขาจากไปต่อหน้าต่อตาเราแล้วทีนี้มีอูบายคลายความสุกเศร้าไหมคะก็เนี่ยนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิ 8, ไปสวนบนต์ไปนะฮะอย่าอย่าปล่อ ย, อยให้ใจนั่งคิดเพราะมันจะคิดไปทางความสุกเศร้า อั น, นการสวดมนต์ด้การบริกรรมพุโทโธพุทโทข<ะ>อให้ใจคิดมันก็นจะคิดถึงความโหวงความหวงหวงยายความอะไรต่างๆอะไรเอ่ อ, อนะน ะ, ะขอขอบคุณะคะ่ะพยายามปึกสมาธิปิดจิ่เืีอยๆ น, น่ๆาจะควบคุมใจเราได้ในระดับแรกชั่วคราว มันต่อไปเราไม่ใช้ปัญญาสนใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างที่เกิดเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่มีตัวตนที่เกิดแล้วดับเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วดับัาจายนะเข้าใจสคุณพิดาจากอเมริกวจเนีย จำนามัสการท่านอาจารย์อ่าวันนี้หนูไม่มีคําถามค่ะอ่ายังไงตอนนี้อากาศทด้า น, น, นร้อหนาวกำลังจะเริ่มอากาศเปลี่ยนค่ะมีพายุเข้าบ้าง<ม>ค่ะอาจารย์ฝนตกค่ะใช่มันส่วนใหมาจากทางทางทางใต้ของหนาวค่ะ<ม>ได้ค่ะ <Okay. S 2> เริ่มมีการแบบประกาศระวังในรัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาถึงเมืองหนูค่ะแต่ว่ามีฝนตกค่ะ านเลยไม่มีค่ะา้าจา์ <Okay. S 2> เข้ามาเติมน้ามันค่ะแล้วก็กลับนมัสการพรอาจารย์ค่ะมาม า, มาพบ ก, กับเพื่อนเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนในธรรมสระธมริกาเหนหน้าก็ร uh. ู้ใจนอเราไม่ uh. ได้เป็นคนปฏิบัติเพียงคนเดียวมีเพื่อนเ uh. ยอะแยะที่ปฏิบัติร่วมกันเพีแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะ uh. มีอะไรเราก็สามารถปรึกษากันได้นะ พระอาจ า, ารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะโ okay. อเคคุณนุชทีวาจากกรทมกล่าวมัสการเจ้าขพาะจา์วันนี้ไม่มีคํส okay. ั่งเปียนเจ้า้าไปวคุณสุานจากดั l ลัสเท็กซัสยังไงผมยามเพื่อนเด็กยังไม่ตัดอย่างนี้ครอสามีให้ว่างอยู่เจ้าค่ะ เดี๋ยวก็คงคงคงใกล้ๆแล้วลราข่าวมาอาทิตย์สองอาทิตย์คงได้เฉือนอีกแล้วค่ะลองโกลนใครเห็นลองอัดโกนยังเลยเนี่ยจังวันนี้เราโกลผมเองไม่ต้องรอใครโกนเองไม่เป็นเจ้าค่ะเราต้อองาศัยเราตกคนเราไม่ไม่ลองหักมันก็ไม่เป็นอย่นัเอาไปล้วจะได้ไม่ต้องมาศัยใครถึงเวลาก็โกลลองดูได้ยิ่งสมัยนี้ไม่โกนมันไม่บาด ใช่ไม่ก่อนที่เขาใช้ก่อนหน่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆที่เรื่องนี้เรื่นี้เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีนะได้ค่ะกล่าวกับพระคุณเจ้าค่ะเป็นไปที่คุณปานคุณปานอย่างนิวซีแลนด์คุณน่าจะมองไม่เปิดวีดีโอถ้าอยากจะคุยต้องเปิดวิดีโอนะะตอนนี้ไปที่คุณปานกัน มรส ก, การค่ะภ า, า้สนได้ยินไหมคะได้ยินจากนิวซีแลนด์นะได้ค่ะเป็นไงตอนนี้ยังล็อกดาวน์หรือเปล่าในนิวซีแลนด์อ่อตอนนี้ที่ออคแลนด์ที่โยมอยู่นี่ล็อกดาวน์อยู่ค่ะ อ, อแต่ว่าถ้าเมืองข้างล่างออคแลนด์ลงไปเดี๋ยวอ๋อวัน น, น, นี้วันแรกที่เขาเลดระดับแล้วค่ะอันนี้คุมอยูอ่แล้วเหรออ เป็ น, ปนไม่ไน่ใจเหมือนกันมี<ด>เคสอยู่ที่เป็นเดลต้าค่ะมีคำถามอะไรไหมมีค่ะคุะปานคือโยมอ่ภาวนาแบบต่อเนื่องทุกทุกวันนะคะเช้าค่ำนะคะเป็นเวลาแปดเดือนแล้วอะค่ะคือเดือนแรกๆก็คือมีพัฒนาการที่ดีอะค่ะแต่พอเข้า เดือนที่สามโยมมีสภาวะไม่ปกติก็คือมันจะมีความตึงๆบริเวณหน้าผากเบ้าตาเหมือนมีลมอะไรขยับอยู่ในนั้นแรงๆอะค่ะแล้วก็บางครั้งมันก็ขยับแรงมากจนรู้สึกเจ็บหรือเสียวแป๊บๆเงี้ยค่ะอาจารย์ทุกทุกครั้งที่ทำความรู้สึกตัว อ, อแล้วก็ ภาวนาในรูปแบบแต่ละวันนะคะจะมีอาการนี้ตลอดแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้ความก้าไม่มีความก้าวหน้าในการภาวนาเลยอะคะ่ะก<ร>็เลยเราใช้อะไรในการภาวนาอ่าทําความรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึก<ม>ว่าเราใช้คํมเมนการพูดโทพูดโทพูดโทด้วยเลยใช่ไหมค ะ, ะพูดโแล้วอยากไปสนใจกับอาการที่ัรากดขึ้นยังไม่ไล้าหายไปค่ะ ถ้าดูเฉยๆนี่เราคุมจิตไม่อยู่จิตไม่นก็เลยสร้างเหตการขึ้นมาเราใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปโอเคค่ะค่ะแล้วก็คือตอนนี้มันหา้าเป็นอาการแบบนี้มาห้าเดือ น, นแล้วนั่นแหละเพราะเราไม่มีสติพอที่จะควบคุมจิตอูเฉยๆไม่พอดูเฉยๆนีอาจจะคุมได้ในระดับแรกๆเ้ต้น แต่พอมันไม่เข้าไปมันเริ่มจิตมัเริ่มต่อต้านมันเริ่มสร้างสร้างเรื่องสร้างเหตุมามันรบกวนใจเรานะเราใช้พูดโทย่าดูเเฉยๆต้องพูดโทพูดโทแล้วอย่าไปสนใจกับอาการที่เกิดขึ้นแย่ก็อยากให้มันหายอ่มันจะอยู่ก็อยู่มันจะหายก็หายแต่เราอยากไปยุ่งกับมันลองทําดูได้ค่ะเดี๋ยวยองกาเอา นำไปปฏิบัติดูค่ะโทรูโทไปก็ได้หรือจะเท่าพโทรเท่าสส่วนอิสิติโสไปก็ได้ไนะจบค่ะค่ะพระจารย์นะคะมีคันี้เหรอมีข่ า, น, ขานี้ค่ะวันนี้ค่ะมอไปที่ทางต่อไปนะอ่าคุณน่าจะพรองเชิญเปิดวิดีโอแล้วน่าจะพรอง ยัไม่กินข้าวเพราะชนะดาราเลยนะย้อมาสการครับค้าอาจารย์ครั บ, ะ จ, รรบจะพงก่อนครับเอ่อเพิ่มอยากจะสอบถามพระอาจารย์นะครับคือผมจเจริญหลักมรณานุสสติมาสักพักหนึ่งแต่ว่าเพ่งพินิถึงบางทีพินิถึงอสุภะครับก็คือสร้างสรางแห่งความความตายเป็นเป็นเป็น เป็นบางครั้งอะครับคราวนี้เหมือนพอเวลาเจริญสติไปปุ๊บเนี่ยลมตอนแรกก็พุดโตหรือว่าพองยุบหนอพองหนอผ่านทางจมูกแล้วตอนหลังก็เหมือนคำบริกรรมมันหายไปอะครับผมไม่ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเดินทางมาถูกทางหรือเปล่าหรือว่ไยังไงครับถ้าคำบริกรรมนี่เราที่มันหายมนอนรหยุดบริกรรม แล้วก็อย่าลืมพอมันหายแล้วต้องทบริกรรมต่อครับผมแล้ว<ร>อยา่างเดี้วยักเปลี่ยนเอาคำบริกรรมอย่างเดียวไปจำกัดจิตเป็ น, ในใสงบนิ่งมาครับแล้วคราวนี้อยากอยากสอบถามว่าเออสมมุติว่าเวลาเราเหมือนกับแบบว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยแต่พอเวลาเราปฏิบัติปพบจิตมันฟุ้งซ่านมันเหมือนมันคิดถึงอย่างอื่นนะครับ เพราะ่ไม่มีสติมสตแมันไม่มีสติไงต้องอยู่กับพุทโธไปแล้วถ้าถ้าทํ า, าไม่พุทโธแย่เป็นยุคหนอพองหนอแทนได้ไหมครับก็ลองดูว่าไหนจะหยุดกันได้ก็ใช้อันนั้นก็ได้ครับแล้วแล้วแนวทางที่เออผม ปฏิบัตคือเพ่งอสุภานี่อันนี้ไม่ไม่สมควรใช่ไหมครับก็ถ้าเวลาทําสมาธินี่ไม่ควรจะเพง่งใช้พุทโธดีกว่าเน้นดูลมภายใจเข้าออกดีกว่าอสุภานี่เป็นขั้นระดับที่สูงกว่าเลยต้องมีสติปัญญามีกําลังมากขึ้นสามารถเป็นอสุภาได้ครับนั้นนั้นจะต้องเปลี่ยนวิธีการใช่ไหมครับ คือเวลาทำศาสนาที่นี่ต้องเลือกเราอย่างไดอย่างหอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าพูดโทรดโรไปตลอดเลยยุบน้องท้อน้องก็ไปตลอดเลยไม่จะเพ่งเาสุภาพก็ เ, เพ่งเาสุภาพไปตลอดแต่อย่าไปเปลีป่ยนครับอาจารย์เคานี้เออ่แล้วเรื่องของกํานดลมหายใจเข้าออกในปกติจะผ่านทางจมูกหรือว่าผ่านทางนี้นะก็ยุบน้องท้องเน้่งไงก็เป็นการดูลมหายใจเข้า เวลาเข้าไปก็พองมาแล้วออกมาก็เยอะอยู่ที่หน้าท้องครับเอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปเ อ, อปรรการาบธรรมสถานพระอาจารย์นี่จะยังไงช่วงนี้ยังเดินทางได้อยู่ไหมครับช่วงนี้ก็ไปใส่บาตรทานเช้าได้ไปบาต ท, ท, ที่ที่ไหนครับที่ที่หมู่บ้านบ้านอำเภอต้องเข้าไปในดูในเกิดเขาจะมีแผนที่ให้อยู่ ก็ไปแล้วเรียกสอยู่หรือว่าถ้าไปไปที่วัดก็ได้ตอนเช้าหลังจากกลับมาจากบินกบาแก็ก็ไปที่ศาลาได้ตอนเช้าครับงั้นวันนี้สำหรับคําถามหมดเท่านี้ครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับถึงนักธรามอุทิศคุณชนะดาเชิญของชนะดาที่อยู่สมบูรณปกานนะ่นะน้มัสการค่ะพระอาจารย์พรุ่งนี้มีอะไรพรุ่งนี้ พวกนี้เตรียมไว้หลายอย่างเพราะว่าพอดีมีน้องอนไปเซอร์ไพรส์ดีป่ะพอดีใช่ค่ะพอดีมีน้องจะไปใส่บาตรด้วยเพราะว่าคุณพ่อเขาเสียก็เลยชวนไปถวายอาหารค่ะก็เลยทาก็เลยเตรียมหลายอย่างค่ะพระจาร์กนีอะไรมานอนที่ศิลาใช่ค่ะมานอนที่ศิลาชาค่ะก็ตั้งใจแล้วว่าต่อจากนี้ไปจะตั้งใจปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ อันะคืออธิษฐานคาว่าทตั้งใจคืออธิษฐานค่ะหรือจะตั้งใจใช่ค่ะคำว่าอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอค่ะคว่ามตั้งใจนะค่ะพระอาจารย์คะถ้าถ้าหนูหนูมีคำถามเดียวคือว่าถ้าถึงถึงจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าทำ อ, อ, อะไรนะธรรมะเข้ามาทำงานในในใจตลอด มันเหมือนกับว่าตอนนั้นใจอ่ะมันก็จะไม่มีภาระอะไรอีกแล้วในความเข้าใจหนูนะคะเหมือนกับว่าเพราะว่าเราจะรู้คําตอบหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะคงไม่ได้อยากได้อะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่เอาอะไรอีกแล้วแล้วตรงนั้นเขาก็จะเรียกว่าใจมันไม่มีภาระอะไรแล้วตรงนั้นเนี่ยระดับทำถึงขั้นไหนอะค่ะพระอาจารย์หรือว่าหรือว่าหนูหนูสันนิษฐานถูกไหมคะว่ามันมีมันน่าจะมีจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือมันจะในจุดที่ไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติ เหมือนกับเหมือนกับกินยาพอรโรคหายค่้เจ็บหายก็หยุดกินยากินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะธรรมะก็เหมือนกับถ้ายังมีความทุกข์อยู่ธรรมะ ก, ก็ยังต้องต้องต้องทํางานต่อพอไม่มีความทุกข์ทุกหมดทุกสิ้นไปจากไใจธรรมะก็หมดตกงานเหมือนคนตกงานค่ะ แต่ปัญญาที่เคยใช้ต่อสูอ้อีริยามันยังมีอยู่แต่มันไม่ได้มาใช้ต่อสูอ้กเรินะมันใช้แต่เฉพาะกิจเวลาต้องใช้เรื่องราวที่เราใช้ความคิดกรใช้สติปัญญาที่ไปตามนั่นแหลถ้าไม่มีอะไรก็มันก็จะนิ่งเฉยๆเหมือนคนไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือสัจจาว่ารู้ไปค่ะเอ้าเข้าใจัหม เดี๋ยวหนูจะฟังซ้ําอีกนะคะไม่เข้าใจแล้วต้องปฏิบัติแทนข้างหน้าคนหนึ่งจะเข้าใจค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะฟังซ้ําอีกอีกเรื่อยๆะค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ก็จะตั้งใจปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะคือพระพุทธเจ้าใช้ก็ยังใช้สติใช้ปัญญายแต่ถ้าไม่ได้ใช้ในการฆ่ากิเลสแต่ท่านใช้ในการแสดงธรรมรือในการที่ท่านต้องสัส่งสอนนทําอะไรบางอย่าง้วเราใช้สติปัญญาเหมือนเราเนี่ย เป็นทาท่านใจมันน่าจมีกิเลสไป ก, ก, สนนไ ก, กับการใช้สติปัญญานะใจ <Cross> ไม่มีกิลกเลสกับการใช้สติปัญญาคือใช้สติปัญญาแบบไม่มีกิเลสคือใช้สติปัญญาแบบมีกิเลสยังอยากให้มันได้อย่างนอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนั้นยังมีตรงนั้นยังมีการทํางานของสมองเป็นความคิดจัดสมองอะไรอย่างี้ไหมคะพระอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่สมองมันเป็นความที่ของขันนาำขัน ของสัญญาสังขารค่ะาที่ดูแตกต่าสัญญาเวาจําได้มครัคค่ะค่ะผาจา์กลับขอบคุณมากค่ะครับุณคุ้นคุณปุ้ยแล้วคุณสวยตอนูงเชิญโ้เดี๋ยวขอไปข้ามข้ามคุณกัรชิไปก่อนรชิตก่นนานารชิเชน้อราบมัสกาครับ อาจารย์ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ไต้หวันครับไต้หวันครไต้หวันครับคุณถามหไม่มีครับก็มาร่วมประชุมโอเคงั้นก็ขอไปที่ปุ้ยเลยนะปุ้ยเชิญคุณปุ้ยหน่อยนะจ๊าบนามสการค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนนามสกัน ลักอร์อ า, า, ามมจารย์จะไม่ได้ละอ่ะอนาความจํ <c oughs> าพอาจารย์สบายดีไหมกันยัยงหาใจได้เ <c oughs> ลยพอดีว่าคุณปุ้ยเ อ, อทํางานวันนี้แต่ว่าคุณปุ้ยมีคําถามค่ะเอคือว่าอคุณปุ้ยนั่งสมานธีแล้วพเวลาแบบเราสวดจะประทศนชั้ยคะเราจะนึกสึง ถ้าหลวงปู่ดูแล้วภาพมันจะขึ้นมาในในหัวสมองแล้วพอดีพบวยนึกถึงคือภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพหลวงหลวงปู่ใหม่อยู่เห็นเราเห็นชัดมาก ท, ท, ทั้งที่เราไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนเลยเพียงแต่ว่าเราทราบว่าท่านเสียแล้วเราก็ไปร่วมบุญกับท่านนะฮะแล้วพอเวลานั่งสมาธิเนี่ยเวลานึก มันจะมีอยู่ครั้งสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะคือองค์หลวงปู่ดูออ่อะไอองค์หลวงปู่มัน่นน่ะคุยเห็นหลวงปู่มั่นเหมือนกับอยู่กลางช้องเราอะ่<ล>ะค่ะแกถามว่าบางครั้งคือสมาธิมันก็ไม่นิ่งแต่บางครั้งมันก็นิ่งแต่เราก็รู้สึกใจมันเย็นลงเวลาหลังอย่า ง, างสมมติว่าเรามาทํา ง, งานเนี้ยเราเจอคนที่แบบจะทําให้เราโมโหแบบ มันจะเปลี่ยนเลยอารมณ์เราจะเปลี่ยนเลยแท้เพราะเมื่อก่อนเป็นคนที่พี่โมโหเราจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหมุนมาเลยเเแบบว่าโอเคช่างวันช่างวันช่างเสาเออแต่ผู้ชายถามว่าเออไอการที่ว่าเราเห็นอะไรในความรู้สึกของเราเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเวลาเรานึกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นภาพแต่จะเป็นภาพหลงคู่้ากตลอดเวลาเลยก็เป็นการเชื่มต ung แต่งของจิตเรา อ๋อเป็นความคิดปรุงนะคะความคิากสังขารสังขารสาาัญญาถ้าให้รู้เฉยเฉยไม่ว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดับมุ่งธรรมนิจจไม่เทียมอนัตตาเราไปสมไมไั่ง ม, ม, มันไม่ได้บางทีสั่งให้มันยาวมันไม่ยาสังให้มันดับมันไม่ดับก็กปล่อยมันไปอย่าไปยึด ม, มันค่ะคือผู้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าอย่างคุณปุ้ยเนี่ยเออ เวลานะั่งสมาธิจะใช้สัมมาอรหังในการลงไปการกายและทีนี้คนที่รู้สึกเรารู้ตัวว่าเราไม่นิ่งเราก็เลยเ อ, อใช้พุโธพุโจพุโธและเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีพลังอะไรอย่างหนึ่งมีพลังแล้วมันจะเสียวๆที่สันหลังนะกาไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโธพุโธไปมีอาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นแค่อยา่าไปสนใจไม่เป็นไรไม่ถึปัญหาอะไร อ่าใช่ใช่ก็นั่งคอยพระอาจารย์จะมาจะมาฟังธรรมจะมาศึกษาเรียนรู้กับพระอาจารย์คนเข้ามาตั้ง50คนในห้องทำไมต้องต่อคิวโอ้ค่ะค่ะค่ะดีค่ะค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วมาเที่ยวแถวลักเจมเบิรกบ้างสิคะอเนี่ยก็มาแล้วนะเนี่ยทำามถึงบ้านคุณเลยไม่เห็นนะ เออขอบคุณค่ะมันหลังคนมาถือกล้าอี้พางเราออกไปถ้าเราไปเชี่ยว น, นอกบ้านไไดูไม่ได้ถือกล้าแล้พางออกไปดูนอกบ้านได้ค่ะเราไม่ต้องไปวันนี้อากาศดีค่ะแดดร้อนอาจารย์ <c oughs> อาอวยพรให้คุณปุ้ยหน่อยสิคะขอให้ศุกร์ใ้เจริญให้ร่ำรวยแข็งท่าปลอดภัถยถูกหวยทั้งงวดสวยไม่สามบ้านไม่รู้เลยอุตสาห สาธุการรีบร้อนเลยสาธุสาธุค่ะขอให้พระอาจารย์ด่ันแข็งแรงนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะใครที่คุณ อ, อ้อจ้าคุณอ้ออยู่ที่ไหนเป็นรายการจ้าอ่าเชิญพูดได้เลยคุณอ้อพูดได้เลยคำถามเลยไหมอ่า อยู่ที่ไหนอยู่นคืออยากจะขอกราบนัสการหลวงพอ่ออยากจะอยากจะขอหลวงพ่อให้อุบายในการฝึกติดนะคะ่ะเสียงค่อยไหน่อยเมื่อกี้เสียงดังมันเมันตอนนี้มันค่อยมันก็ามาพูดใกล้ๆกล้เครื่องเลยค่ะได้ยินพอได้ยินไหมค ะ, ะดังวันนี้ดังวันนี้ดัง พอได้ยินไหมคะครับเราได้ยินชัดเจนเลยพูดเลค่ะ ก, ก, ก, การกาบนมัสการเจ้าค่ะพอดีอยากจะข อ, อหลวงพ่อช่วยสอนจิตอะคะ่ะคือเพิ่งมีบททดตอบของชีวิตเข้ามานะคะคือว่าเพิ่งเลิกกับสามีแต่เราเลิกกับสามีได้ประมาณสามสามถึงสี่เดือนเจ้าค่ะ แต่ทีนี้เราเห็นจิตของเราเนี่ยค่ะมันมีความเครียดแค้นแล้วเราไม่ยอมให้อภัยเนี่ยเจ้าค่ะก็ไม่ได้โกรธไม่ได้โมโหออกมาแต่ว่าเราเห็นว่าจิตเรามันไม่ยอมให้อภัยเขาเนะ่เจ้าค่ะก็ให้ที่ว่าเป็นการใช้หนี้เก่าแล้วนเะจ้าค่ะเ ร, เราอาจจะเคยไปทำอะไรเท่าชานี้ก็เลยมาเจอกันก็อะไรมาเอาคืน ถือว่าจบแล้วถ้าใช้นีบมาแล้วผ่านไปแล้วแล้วหลวงพ่ออยากจะให้อุบายในการฝึด จ, จิตยังไงบ้างเจ้าคะก็ให้ปล่อยวางไงอยา่าไปยึดอยา่าไปติดอยา่าไปถือถว่าเป็นของเราเจ้าค่ะเกิดมาตัวเปล่าเปล่าเดี๋ยวเราตายแล้วก็ไปตัวเปล่าเปล่าเราอะไรไม่ได้เจ้าค่ะ ม, มีมีความรู้สึกว่าแบบบางทีเราแบบ มันเหมือนจะนิ่งนะเจ้าค่ะแต่บางทีพอเราเห็นพอเราเห็นหรือได้ยินมันก็บางครั้งมันก็ถึงจุดที่เลยไปจนถึงร้องไห้แต่มันไม่ได้หนักมากบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันเจ้าคะ่ะก็ต้องฝึกสติใช่ครัถ้ามันรูมาเรืพุโทโธพุทโธไปแล้วก็ทารองขึ้นมาแล้วพ่อง พ, พุโทโธพุโทโธไปแล้วมันก็สงบลง แต่ที่หนักมากๆก็คืออย่างที่เรียนหลวงพ่อเจ้ะค่ อ, อคมัน่นคิดว่ามันเป็นเป็นการใช้กลับเก่าไปใช้นี่แล้วการเก่กาๆพง<า>ไปทำเข้ามาท่านเข้าอะไรต่างๆมาทำนะคุณเมื่อกี้นี่แกบอกว่าตอนเด็กๆก็ชบาบตกป่าชาตินี้ก็เลยเป็นเดิชนประตูทาให้ปากฉีกเลยพยายามพยายามอย่างนี้เราจะได้ไม่เกโควิดเขา ว่าเป็นการใช้ใช้หนี้เก่าเราไปสร้างหนี้ไว้สร้างมาใช้หนี้จะโกดก็ไม่โกรธสุดๆจะไม่ระเบิดไม่ระเบิดแบบก็จเป็นการใช้หนี้มันก็จะไม่โกรธเลถึงเวลาต้องใช้หนี้แล้วนะค่ะก็โคใกล้หมดแล้วก็แล้วแต่ถ้ายังไม่หมดก็ใช้ต่อไป ขอโทษท่านโทษเจ้าค่ะก็พยายามค่ะก็พยายามอยู่พยายามพุทโธแล้วก็พยายามสวดมนต์นั่แหแผ่เมตตานั่นแหละแผ่เมตตาก็เลยไม่ไม่จองเวรให้อภัยแผ่เมตตาบางทีแต่บางทีมันก็จะมีอาการของความแบบไม่แผลจริงไม่แผลจริงก็แพลแต่ฝาแต่ใจไม่ยอมแผลด้วยใช่เจ้าค่ะใจมันไม่ แผลไม่ยอมลงเลยพยายามจะให้เขาลงแต่มันไม่ยอมลงมแล้วบางทีใช้ปัญญาถึงจะลงเนาะไปอา่าตปัาบาสนี้ทําให้เราทุกข์นะเขาไม่ทุกขนะ์แต่เรานะแต่เราต้องทุกข์ใช่ไหมะไม่บางทีเราก็บอกเขาว่าอยากไม่อยากเจออีกก็อย่าไปโกรธสิเขาก็พอเผลอเขาก็จะมาละมาอยู่เรื่อยเลยเจ้าค่ะ ถ้าป่อยเข้ามาเราก็เฉเฉยไ ป, ปใจเฉยเฉยราห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาเขาจะไปนี่เราห้ามเขาม้เขาเป็นธรรมชาตินั้นดืน้อนนดื้อ้ากันใช่เจ้าค่ะเหมือนกับแล้วเราก็เหมือนกับเอ้ยเจ้าจิตนี่มันดื้อจังเลยเจ้าใช่เราใช้ปัญญาสอนเรนใช้สติดหยดมันนะเจ้าค่ะโอเคนะดจ้านี้เหรอ อยู่ที่<ม>ไหนนะเมื่อกี้ามเดินถามอยู่ที่ไหนยมอยู่ที่เชียงใหม่เจ้าค่ะอะเชียงใหม่ที่อทุท์ทละแล้วขเข้ามาทางภาพภาษาอังกฤษหรือเปล่าอ๋ อ, อไม่ทันเจ้าค่ะไม่ทันสหรับคน้งไม่ทันบ้างแต่ยมจะชอบดูจากในเฟซบุ๊กเจ้าค่ะดู เ, เป็นช็อตสั้นๆของหลวงพออ่อจ้ะด้วยโดย ด้วยด้วยคําสอนของหลวงพ่อก็ทําให้ใจเย็นแล้วก็คลายลงบ้างแต่ที่เห็นวันนี้ก็คืออย่างที่แบบเราเราไม่ให้อาภัยเขาจริงๆอะค่ะไม่ให้แต่ไม่ให้จริงๆอย่างที่หลวงพ่อตอนเนี่ยให้อภัยได้แล้วใจเราจะเย็นจะเป็นสารสุดใช่ไหมไม่อยากจะไม่อยากจะต้องคิดว่ามันคราวนี้น่าจะจบในชาตินี้แล้ว แต่ก็ไม่อยากทําไมเอ้ไม่ยอมคลายสักทีอะห้อย่างนี้ยังใช่ไม่หมดใช้ไม่หมดใช่ค่ะไว้เดี๋ยวคราวหน้าหนูจะเข้ามาส่งกันบ้านอีกเจ้าค่ะได้แล้วตอนนีนก้กนนะขอบพระคุณเจ้าค่ะมาดูกลุนสลินทรนตอนสลินทอนจากเนอร์อแลนด์ USA กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะกลับนะมัสการเจ้าค่ะโยามกลับแล้วเอาไปแล้วใช่ค่ะโยมก็ก็เห็นจิบเข้ามาโยมก็เลยเข้ามาหนวยพระอาจารย์พระอาจารย์สวายดีนะคะเจ้าค่ะโยมมีคําถามนิดนนิดนึดนดนงอะคะ่ะพระอาจารย์อย่างสมมติว่าคนเรานี่เวลาที่มีเรื่องในใจอะค่ะแล้วก็อาจจะเก็บไปฝัน แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือว่าจะเป็นสิบปีที่ผ่านมาแล้วอะคะ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดถึงในชีวิตประจำวันคือมันเลยผ่านไปหมดแล้วแต่วันดีขึ้นดีมันหุดขึ้นมาในความฝันแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่คือเรายังอินอยู่กับความคิดตรงนั้นนะคะโยมก็พยายามพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไตรลักษณ์เกิดแล้ว ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจบไปตั้งนานแล้วเรื่องความทุกข์ความเท่าเศร้าเสียใจหรือโยมก็จะคิดว่าการไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมแต่ว่ากิเลสนเนี่ยมันมันค่อนข้างจะรุนแรงอะค่ะพระอาจารย์บางทีโยมไม่สามารถใช้สติในการในการหยุดความคิดนั้นได้เพราะว่าอาจจะเพิ่งตื่นนอนหรือว่ายังไม่มีอุเบกขาต้องใช้อนัตตาต้องมองว่ามันเป็นอนัตตาแต่มั น, มนไม่หยุดอะค่ะ มันคือเราห้ามเราห้ามมันไม่ได้มันจะมาก็ปล่อยมันมาเราพยายามอยากจะไปหยุดนั่นเนี่ยทําให้เราทุกข์อย่างนี้อยากอยากให้มันหยุดมันจะมาก็ปล่อยมันมาก็คือปล่อยมันมาแล้วเราก็ดูแล้วเราก็ปล่อยดูแล้วก็ปล่อยใช่ไหมคะอพยายามหรือว่าถ้าเราไม่ท้อไปสนใจมาแล้วก็ไม่รู้ไม่ชิ้งไปถ้าาหงุดหงิดโธหุดหงไปมันจะมาก็ปล่อันมา มันพูดโธแล้วมันมีอยุ่อะค่ะอาจารนโยมก็มองว่าไม่ได้พูดโธรเพรามันหยุดพูดโธรเพราะใจเราหยุดไปยุ่งกับเขาหน้าละโยมใช้โยมพิจารณาเพราว่าสัญญาก็ไม่ใช่าเปติหน้าตาาเป็นมันไม่ตกเนี่ยคุณตกคุณจะทํางานมันก็มันก็ห้ามมันไม่ให้ตกมันได้แะถ้าใจคุณม่นหมายกับผลตกคุณก็สวดมันไปคุณจะได้หยุดหยุดความมึนหมายใจปล่อยให้มันตกไปทําหมายเป็นอย่างี้ ยังงี้โยมท่องอิติปิโสเลยดีไหมคะพระอาจารย์จะได้ช่วอสไปก็ได้นะไหว้วาเขาไหวเข้ามาไายเขาไปทำเรื่องเขาแล้วถ้าเกิดว่าค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการแก้ในระดับจิตใต้สํำนึกอย่างเนี้ยค่ะมีธรรมะข้อไหนขั้นไหนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นได้ไหมคะหรือว่าได้ก็ให้รู้ชี้ชี้ไงให้สัจธรรมรู้ แต่ว่าการสัจธรรมมันก็เป็นมันก็เป็นสภาวะธรรมมันเป็นไตรลักษทั้งหมดมองเป็แต่เราสัจตรวมรู้ในปัจจุบันแล้วมันก็จะลบภาพตรงนั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันจะใช้เวลาแล้วก็คือกระแสความคิดพุดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะนี้มันจะผลมันก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ไปกลัวมันแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาคือเราไม่อยากให้มันมาเราก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอย่าไปมีความอยากกับมันสิปล่อยมันมาปล่อยมันไป อะไรย่างเงี้ยเวลาคืออยากให้มันไม่มาใช่ไหมอยากให้มันหมดใช่ไหมพอมันไม่หมดกระทบเนี่ยไม่อยากไม่อยากมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปมันเป็นง้นตามเราห้ามมันไม่ได้คะพระอาจารย์ค่ะไม่ต้องไกลัวมันมันเป็นหนังอ่ะมันมันหนังผีหนังที่เราไม่ชอบดูแต่ทำมันได้เราซื้อตือว่าเขาโน้มมาแล้วก็ต้องดูไป เพราะมันเป็นเรื่องราวบางเรื่องเราก็เป็นตั้งแต่สมัยเด็กบางเรื่องราวก็เป็นเรื่อ ง, าอางรองาวราที่เราไม่เคยจะไปคิดถึงเลยในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นเรื่องราวดินดินชาติก็ได้ข้ามาอาจารย์<อ>ยมก็พยายามให้มันให้มันตอนแรกยมก็นึกว่าใช้สติหรือว่าใช้อุเบกขาก่อนแล้วถ้าไม่ไหวถึงใช้ปัญญาแต่แต่มันหยุดไม่ได้อะไรก็หยุดไม่ได้สักอย่างเลยอะค่ะพอาจารย์ก็ต้องใช้พุทโธเลยที่จุกโสกใส่พุทธโนค ค่ะ <c oughs> อ, อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันอยู่ตามเรื่องของมันไปค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะกับขอบพระคุณค่ะก็มีแค่นี้ค่ะพระอาจารย์โอเคแต่ที่ท่านต่อไปนะคุณสลอเนี่ยแล้ก็เมื่อกี้เข้ามาถามเนี่ยยังใช่ไหมอาเชืออยู่ที่ไหนวางไมโครโฟนกันนิ้ไปกับมันมาสเตอร์การ์ครับ อยู่ที่ไหนว่เสียงดังไหนเนี่ยได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินครับได้ยินครับผมคือเข้ามาครั้งแรกครับอยู่ที่ไหนบ้าอย่ที่ไหนวีรัมรหันทรายครับผมนอนนี้นแด<บ>งจังหวัดอะไรวีรัมครับอาจารย์วีรัมหันทายครับมีคำถามไหมมีมีครับผมคือสามวันที่แล้วคือความรู้สึกผมตอนนี้มันจะนิ่มๆงโล่งนะครับ ที่นิ่มก็คือมันไอความนิ่มนี้มันไม่ได้หายไปจากผมครับทำงานก็ไม่ได้ไปก็คือสามวันที่แล้วผมไปฟังหลวงตามหาบัวเทศแล้วก็มันมีจุดหนึ่งเอีตอนนี้ผมก็ไปเปิดของอาจารย์ประโมทท่านว่าให้ดูแยกกายผมก็เลยแยกปุ๊บผมเห็นความคิดอีกส่วนหนึ่งความนิ่มๆลุมๆอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เวท น, นาเวทนาใมอยู่ช่วงนี้เป็นจุดดำๆมาครับแล้วเวทนาขันก็คือเวลาเรานั่งมันเก็บตรงนั้นก็เวทนาขันตรงนั้น แล้วก็รูปรูไ ก, กาก็อีกส่วนหนึ่งแล้วความที่ไปเห็นตรงนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่นี้ผมไปขายลอตเตอรีห่วหวยผมผมวิ่งวิ่งวิ่งมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมครับตรี่ผมว่าเอ๊ะผมก็มันไม่ใช่ของเรานี่ก็คือผมก็อะก็ไม่ไเห็นดับทุกได้เลยนี่ผมว่าอย่างนี้ผมก็เลยอจอดรถมอเตอร์ไซค์ขออภัยนะผมก็เขาเรียกว่าผ่อเาเรียกว่าทุกเบานะครับทุกเบาเสีผมวิ่งไปผมว่าเอ้เหมือนครูบาอาจาร บอกเลยมันอยู่ที่ใจคนรู้สึกวิ่งใน จ, จุดจุดําๆตรงนี้แหละครับรวมปุ๊บแล้วค น, คนผมลุกคนผมลุกฟูแล้วน้าตาผมไหลออกมาเองผมก็กลับมาที่ห้องผมก็มาดูปุ๊บแล้วผมมาอ่านเพจอันไหนที่ไม่ชอบแกมันขึ้นสีีสดํำๆตรง น, นี้อเอออันนี้เองตอนนี้มันไม่ขึ้นรายการมันรู้สึกว่าหน่วงนิดเดียวแต่ความรู้สึกมันจะโลงเวลาผมนั่งอถ้าผมอยากเบามากๆก็คือผมอนุโมทนาบุญนันเปิดเพุโมทนาบุญมันจะเบามากเลย โดยผมจะเบาบางครั้งผมนั่งก็มาฐานลงนั่งเดี๋ยผมเข้าชาไม่ได้หรอกเพราะว่าผมก็เพิ่งเดือนที่แล้วเองครับก็คือผมนั่งปุ๊บมันจะให้นิ่งก็นิ่งได้เลยจ้ะนิ่งแล้วมันจะโล่งเบาบางครั้งมันจะเป็นช่องตรงนี้เป็นช่องปุ๊บผมว่าอา้าขยายมันขยายขยายมันจะมันจะมารวมกับไอไอความนิ่งรอบๆตัวเรานะครับแต่ก่อนหน้านี้ถ้าผมไม่ไ ม, ไม่ไม่พอใจปุ๊บมันจะเป็นค้างค้างแต่ตั้งแต่ผมอยู่ในที่ดําๆมันขึ้นที่ว่าชุบขึ้นมามนเป็นต่มจุดดําตรงนั้น มันหายไปมันขึ้นมาที่รายการอยู่ขนาดนี้แล้วเออตรงนี้เองที่ต้องตามหาบัวบอกปึ๊บผมก็เลยบอกว่ามันก็เลยไม่ขึ้นแล้วก็คือเวลามันคิดชั่วปึ๊บมันก็แวบไปแวบไปมันไม่ค้างอ่ะอาจารย์แต่ส่วนมากผมนีด้วยนิสัยอ่ะผมชั่วอยู่แล้วไงครับแต่ตอนนี้มันแวบแวบเด็บถ้าผมจะไปกั้นกั้นไว้มันก็หน่วงตรงนี้นะครับผมรู้สึกนะครับถ้าไม่กั้นือมันจะไม่หน่วงตรงนี้แต่ตัวนี้ควรรู้สึกผมยืนงโลง คือความโลกไม่ได้สร้างเองไงด่านครับไม่ได้สร้างเองมันจะเมาให้มันโล่งๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะมันจะนิ่มของมันโดยธรรมชาติครับโอเคนะครัเนี่ยเริ่มเริ่มมาแล้วครับอ่าดีนะไม่ไม่มีคําถามเลยนะก็คือแต่ต่อต่อยังไงครับก็รักษาความนิ่งความว่างไปเนี้อยๆอันนี้ไม่ใช่ที่ผมเข้าว่าผมเข้าไปอ่านในในในในในเฟซในยูทูปว่าติดบ้างติดบ้างอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้สร้างมันมันไม่ไปจากผมอะครับ ก็มันจะสร้างไม่สร้างอะไรไม่สําคัญขอให้มันเสลี่กัแล้วกันมันยากครับแลคือคืออะไรไมันจะชั่วก็ปล่อยไปใช่ไหยครับแล้วมองมันได้เฉยเหมือนเหมือนเหมือนทุกผมเป็นเนี่ยคือผมเริ่มมองได้เฉยได้สองวันนี่เองครับให้มันชดใช้นี่ไปเรื่อยๆตลอดเวลาเวลาผมก่อนหน้านี้ผมวิ่งขายหวยใช่ไหมลอตเตอรี่ข้างตามทุ่งไถนาตามถนนปุ๊บเวลาผมคิดชั่วขึ้นมาสมัยก่อนมันจะขึ้นสีดำตรงนี้อาจารย์ตั้งแต่ผมเห็นมันเนี่ย ขีมอไซคว่าเอ้าจุดนี้ตัเองอะไรเงี้มันจะวิ่งเข้ามาเป็นจุดตรงนี้เลยครับวิบ่งจะรวมกันบู๊บมันตรงที่ใจอ่ะผมก็เล้วตรงใช่ไหมครับไ อ, ไอ้ไอ้ที่ที่ผมเห็นภาพตรงนี้คือจุดเนี้ใช่ไหมครับเอนั่นน่ะทำมาใ ห, ให้มันว่างว่าอยู่ที่ไหนนะ่นี่เรื่อามอยู่ที่ราา้านทรายไปรังติดร้านทรายไปรัที่เรื่อาโอเคนะพยายามทําใจให้ว่างๆอยู่เรื่อยๆนะ เราลักษณะนี้เลยใช่ไหมครับเออก็คือไม่ต้องการไม่ไม่ต้องการคือคิดช่วงออกไปเองออกไปเองท่านพู่ อ, ออกไ ป, อไปเองมองเฉยใช่ไหมครับอย่าใหมันไปวุ่นวายเดี๋ยว้อนกับอะไรก็คืออืมครับไอ้คือถ้าเราไม่สร้างเหตุมันมันมันมันจะตอนนี้เวลาเราสร้างเหตุขึ้นมานอกจากทีนมันจะหนุน่วงมันไม่มีดำแล้วอาจารย์ไอ้ตรงเนี้ยไม่ดำเลยนะหัวใจเราไม่วุ่นวายไปกับอไรกันแล้วนะ ครับผมมันก็อยู่กับถ้าผมถ้าผมถ้าผมจะจับสภาวะ น, นี้คือผมไม่ต้องจับมันก็อยู่ได้ครับก็คืออยู่อย่างเงี้ย ค, ครับยิ่งนะครับไม่สาคัญถ้าสบายใจเราใจเราเฉยได้หรือเปล่าใจเรานั่งเป็นวายหรือเปล่ า, ลาลครับตอนนี้ยิ่งๆคุยกับอาจารย์ยิ่งยิ่งๆเลยครับนี่ไมใช่ได้ครับอาจารย์ยิ่งอาจารย์ยิ่งจอนนะไม่มีไม่มีครับอาจารย์ โ okay. อเคไปท่านต่อไปนะคนะือนะนะาลาซินีแนอยากเยอ่อมันหายหน้าไปหลายหนอาทิตย์นะก็ะนะกับเร็ว น, นะกลับละมารการคะ่ะท่านพระอาจารย์คือตอนนี้ยมต้องกลับเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็สลับวันยากมากเลยคะ่ะที่จะจะบางทีกลับมาแล้วมัน ค่ะกลับมาแล้วพระอาจารย์แบบเนิรนมากแล้วเลยเกรงใจไม่กล้าเข้ามาถามเลยค่ะคนเยอะด้วยค่ะค่ะที่ผ่านมาค่ะปฏิบัติเหมือนที่เคยกราบเรียนท่านพระอาจารย์ไปนะคะก็คื อ, อนั่งเหมือนทุกครั้งนั่นแหละคะ่ะแล้วก็พยายามใช้การเจริญสติควบคู่ไปด้วยถ้าต้องไปทํางา น, นะคะ่ะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือฐานของจิตนะคะที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเมื่อก่อนมันอยู่ตรง ครึ่งปากครึ่งจมูกอะค่ะอยู่นี้มันเลื่อนลงมาอยู่ตรงตรงเนี้ค่ะได้ค่ะแล้วขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วอ่ามันมันตรงข้ามกับพี่ผู้ชายก่อนหน้านี้นะคะเมื่อก่อนมันเคยโล่งมันเคยสบายแต่ตอนนี้พอมันมอยู่ตรงนี้มันเหมือนหนักๆอะค่ะท่านพระอาจารย์ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันขิดค่ะมันหนักแบบนั้นหนักแบบหนักแนหนักแบบหนักแน่นค่ะหนักแน่นแบบหนักแน่นก็ไม่เป็นไรค่ะ เหมือนทำเป็นก้อนหินอย่างนั้นเฉยใช่ค่ะหนักอย่างนั้นเลยค่ะเราพอเวลามันมันไม่รวมนะคะธรอาจารย์มันก็กระจายออกแล้วมันก็จะสบายโล่งโปร่งสว่างประนีตนะคะพอมันรวมเข้ามามันแน่นมากเลยค่ะเหมือนเป็นก้อนหินเลยค่ะได้ไม่รู้บรราอะไรไม่ผิดใช่ไหมคะจะได้สวัสดีเลชได้นะความโล่ความกดมากล้เหมือนกำลมอุทกก้นมันก็จะไม่เปลี่ว แต่ถ้าใจมันไม่หนักได้มันก็เป็นเหมือนใบไม้ตอนลมพันมาปั้มมันก็เปลยเลยกับลมค่ะแล้มันมันตามอารมณ์ละเอียดได้ดีค่ะอย่างบางที่เหมือนเราเหมือนเหมือนกําลังจะขาดสติอยู่แล้วเวลาเหมือนเคิ่มเพิ่มกำลังจะนอนนะคะเรามีรถเก็บขยะเข้ามาค่ะมันก็จะเป็นเสียงดังแล้วก็เห็นความไม่พอใจขึ้นมาเลยทั้งทั้งที่จะหลับอยู่แล้วอะไรอย่างเนี้ค่ะอาจารย์ว่าเราไม่ชอบใจเสียงนั้นอย่างนี้ค่ะถูกต้องแสดงว่าปัญญาสติปัญญาเราเริ่มขึ้นค่ะ แล้วก็ค่ะก็พยายามจะมันก็ปล่อยทันทีอยากให้รู้หน่อยเขห้ามเขาไม่ได้ค่ะมองทุกอย่างก็ไม่มีอะไรค่ะน่นมาจากธรรมชายอมมองทุกอย่างเป็นน้าหน้าหน้าตาเป็นธรรมชาติค่ะมนลงตันเหมืนฟ้าผ่าฟ้ารอะไรห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ แล้วราไม่ต้องไปโกรธเข้าไปเกลียดเขาน้ำตาลที่เชื่อให้ไปค่ะเริ่มจะชั่งมันชั่งมันเยอะขึ้นค่ะชั่งมันเถอะชั่งมันเถอะอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ชั่งมันเถอะชั่งมันถูกต้องตอนนี้ที่เรามันตอนนี้เรื่องเรื่องโรคะบาดนี้ไม่มีปัญหาอะไรเปิดได้อืมไม่มีแล้วค่ะประชากรได้รับเข็มที่สองรู้สึกจะหกสิบเจ็ดสิเอร์ซ็นแล้วละค่ะท่านปรายังใช้หน้ากาดอะไรแบบนั้นีหม ไม่มีแล้ค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้เริ่มฉีดในบรรดากลุ่มเด็กๆนะค่ะพวกวัยรุ่นแล้วก็เด็กแบบต่ำกว่าสิบสองลงมาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มเริ่มดูแล้วว่ามันมีผลอะไรหรือเปล่าแล้วก็เรียกเด็กๆไปฉีดกันแล้วละค่ะตอนนี้ไม่มีข้อห้ามเลยไปไหนมาไหนได้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวต้องรอดูใบไม้ผลิอีกทีหนึ่งไปไม้ร่วมค่ะนั่นก็ไป่ต้องใส่หน้ากากแล้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แล้วค่ะไม่ต้องใส่ค่ะเป็นภาวะปกตินะ ใช่ค่ะดียินดีด้วยค่ะเด็กๆก็ก็จะได้กลับไปโรงเรียนกันแล้วล่ะค่ะรู้สึกเขาไม่แฮปปี้เท่าไหร่ที่ต้องไปโรงเรียนอ่าค่ะโอเคมีเท่านี้นะยินดีที่ได้เข้าปารคเลค่ะขอบขอบคุณค่ะยายรักษาความสหมัะสความว่างความหนักได้ไว้นะค่ะโดยการปล่อยวางทักอย่างปล่อยวางแต่ไม่ได้ปล่อยวางไม่มีความน่าติดาจป่อย มีความเลยต้องทำก็ทำแต่<ฆ>ทำได้ก็ทำไปทาไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยอะครับ ข, ขอบคุณค่ะรัศนีต่อทัศนีอยู่ที่ไหนนรัศสนีดัานไม้ดานอ่ออาจารย์พูดได้เลยกลับน <c oughs> <c oughs> มัสการค่ะอาจานย์ ตื่นเต้นค่ะเมื่อกี้ต้องต้องขอัยพี่แอดมินด้วยนะคะที่ยกมือเพราะว่าไม่เคยเข้ามาสองครั้งก็เลยไม่แน่ใจว่ า, าการถามคำถามเป็นอย่างไรค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบพระคุณคับพระอาจารย์อยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ะพระอาจารย์มีอะไรไมคะ ก, ก็ะไปปฏิบัติธรรมมาเมื่อ เมื่อวันศุกร์อ่าเสวนาที่นะคะสามคืนแล้วทีนี้กลับมาถือศีลแปดต่อที่บ้านก็เลยอยากจะขอแนวทางการปฏิบัติค่ะปอจาจารย์กลัวว่าจะจะออกจากศีลคือจริงๆช่วงช่วงนี้พอดีเป็นครูค่ะช่วงช่วงนี้ก็เลยสอนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วก็อ่ามีภาระไม่ได้มากมายอะไรก็คิดว่าว่างพอที่จะปฏิบัติศีลแปดได้อ่ะค่ะได้ถ้าปฏิบัติรักษาข้อไหนได้รักษาไป ข้านหนรักษาไม่ได้ก็เว้นไม่ก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้การปฏิบัตินี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนตอนที้อยู่วัดเนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริสติเราจะทำได้ตามรูปเสียงกลิ่นท่านอยาดูละครอยากฟังเพลงอยากกินขนมอะไรนี้ต่อได้ทาที่บ้านต่อนด้ไม่มีปัญหา เคยทำที่บ้านย่างไรกามาทำที่บ้านได้ได้ครับรอจารแล้วก็ ท, ท่าเราจะทได้ค่ะมันมันมีอยู่นิดหนึ่งครับอาจารย์คืออ่ามันมันจะติดอยู่นิดหนึ่งเรื่องการปฏิบัติคือมันมันรู้สึกว่า จิตมันมีอยู่นิดนึงที่เหมือนกับว่าเราเคยมีปัญหากับสามีแล้วเลิกรากันแต่พอเหมือนกับลูกหรือว่าเราไปเห็นอะไรที่เกี่ยวกับเขามันจะติดนิดนึงคือเราก็เราก็ากอโหสิกรรมให้เขาแล้วแต่มันยังมาแบบมันมีอยู่นิดนึงที่เรายังไม่หลุดอะค่ะป้าจย์ทํายังไงถึงจะแบบหลุดตรงนี้ไปได้ป้าจย์ก็พยายามทําอยู่อะคะ่ะก็พยายามอย่ยไปคิดถึงมันนะนะมันเกิดขึ้นเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดไป แล้วก็อาจจะใช้ปัญญาบอกว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราไปเปลีป่ยนเขาไม่ได้ครอกแต่มันก็ผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเรามาอยู่ปัจจุบันไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วแต่รับรู้ว่าจิตเรายังมีปฏิิยาอ ย, าอยู่นี่ขัดขงนสิ่งข น, น, นี้อยู่เราก็อเอาพยายามฝึกจิตให้ปล่อยวาง มนไดใให้เห็นว่าถืศีลไม่อยากเป็ น, ป น, ปนธรรมชาติหันเป็นน้ำมันไฟอะไรได้ค่ะพระอาจารย์ก็จะตั้งใจปฏิบัติคิดว่าจะถือศีลแปดไปเรื่อยๆจนกว่าะจะออ ก, ออกพรรษาค่ะดได้ได้อยู่ที่ไหนก็รักษาได้ปฏิบัติได้ <laughs> ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเรื่องสามีอดีตมีวิธีหนึ่งก็คือพยายามคิดถึงความดีของเขาบ้างก็ได้โออค่ะแล้วมันจะลบล่างความวมดีของเขาได้ได้ค่ะแต่เหมือนกับว่าเขาก็คือแบบเหมือนกับเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคู่เวรคู่กรรมไหมคะพระอาจารย์คือยิ่งยิ่งปฏิบัติเนี้ยก็ ก็จะยิ่งเจอเขากับผู้หญิงคนนั้นมาให้เห็นตลอดเลยอะค่ะคือเหมือนกับว่าเราก็ต้องยอมละว่าเขามีดีมีช่วนในตัวเขาเราห้ามชีไม่ได้ค่ะแลคิดถึงความดีของเขาเวลาที่เขาดีกันเราค่ะได้ค่ะ <c oughs> ไปจากเวลาที่ไม่ดีก็คิดว่ามันลบล้ามันไปแล้วเท่านั้นได้ค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาคงไม่ไม่แต่งงานก็บเ่าใขอบคุณด้ว อยู่กันมายี่สิบปีกว่าใช่ไหาจามีแื่นี้เดียวทให้ทำให้บ้านแตกสลายขาดเลยถ้าได้ความดีมีต้องยุ่ยยากับมองไม่เห็นเลยพระอาจารย์ก็ตั้งแต่ปฏิบัติมานี่ก็สองสองครั้งงวดติดต่อแล้วพระอาจารย์ที่ถูกลอตเตอรี่ก็นำเงินที่ได้ไปทำบุญเลืพิจารณาว่าเขาไม่ได้เป็นของเราอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ มันจะไปลากไปชอบไครเราไปห้ามผขไม่ได้ได้ค่ับระาจารโอเคนะค่ะขอบพระคุณคับพระอาจารย์ค่ะคุณหลานมีคำถามจากเฟซบ o ๊กไม่เช่ถามได้เลยมีคำถามจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์แล้วก็ยูทู e แล้วก็ยูทู e ของดรวีเจ้าคะ่ะมีทั้งหมดยี่สิบคำถามเจ้าคะ่ะอาว่าไปเลยคำถามแรกจากเม็ e เมริต for a better life สอบถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเราไม่สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวแผ่เมตตาได้ไหมคะคือการนั่งสมาธินี้นั่งได้เลยไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ในการแผ่เมตตานี้ก็ต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันและอยู่คนเดียวไม่ได้แผ่ให้ใครเป็นการสวดเฉยๆได้การแผ่เมตตานี้ต้องกลาวมาพบปันจัยในเวลาที่เราคิดถึงใครแล้วเร า, เรากโกรธเชนอย่างที่คนผู้หญิงเมื่อกี้นี้ เรแผ่เมตตาให้เขาไปนานๆแต่อยู่ดีดีล้วไนั่งคนเดียวล่าสวดบทแผ่เมตตาแล้วคิดว่าแผ่เมตตาให้คนนั้นคนนี้เราไม่ได้แผ่เขาเป็นการสวดเป็นการฝึกฝนอบรมให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตาคำถามต่อไปจากคุณออตไบเลอร์เพิ่งติดตามพระอาจารย์ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งฟังธรรมเข้าใจง่ายถ้าจะปฏิบัติ ต้องเริ่มอย่างไรครับเร่มที่สติไงเริ่สติเอาล้แต่ลืมตาขึ้นมาวัดตื่นขึ้นมาก็คุมจิตคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดให้ท่องพุโทพโธวุทโธไปหรือให้จดจ่อยอยู่กับการเคลืนน่อนไหวของร่างกายร่างกายทําอะไรก็อยู่กับการทํางานนั้นไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดนั้นนึ ง, นงแล้วพอเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจก็ออกที่ปลายจนูก จะท่อพูดโถพูดโถไปก็ได้ยังได้ย่างหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณแคตตี้กราบเรียนถามค่ะหนูหาวัดบวชชีเพื่อแก้บนที่ขอนแก่นแต่วัดไม่เปิดหนูจะทําอย่างไรดีคะเพราะทาอย่างทําอะไรก็มีแต่อุปสรรคค่ะต้องมีวันเยอะแยะไปไมไม่ใช่เป็นวันเดียวในประเทศไทยเราต้องพยายามหาหาวาัดที่เราบวชได้ คำถามต่อไปจากคุณสมพานมีทั้งหมดสองคำถามเจ <ín locals> <group> ้าค<ข>่ะกลับนมัสาการพระอาจารย์กระผมอยากเรียนถามว่ามีช่วงหนึ่งผมเห็นภาพหัวคนเป็นรูปกะโหลกอาการแบบนี้เป็นอาการอะไรครับถ้าเป็นอาการที่เห็นกะโหลกมันจะเป็นอะไรเห็นก็แปลว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้พวกเราทุกคนมีหัวกะโหลกนะแต่ว่านําไม่ยอมมองมันก็เหมือนกับาไม่มี เวลาเราบังคับให้มันรองมันก็จะเห็นอันนี้เป็นการพิจรารณาดูภาพจริงของร่างกายว่านอกจากหนังที่หุ้มห่อร่างกายนั้นภายใต้คือหนังก็มีค้อกระดูกมีกระดอกซีสต์มีอาการอะไรตา่างๆดูเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายจะน่าไม่เมืนนอนเราคิดว่าร่างกายนี้มีเพียงแต่ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้นคำถามที่สอง เวลาดึกสงัดเลยหกทุ่มมักจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ถามคนไปด้วยกันเขาบอกเขาไม่ได้ยินเขาว่าผมไม่ปกติผมชอบไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิช่วงตีสองจะรู้สึกตื่นอยากนั่งช่วงตีสี่จิตอยากทำวัดไม่ได้ทำก็จะหงุดหงิดครับขอคำแนะนำครับ ก็ทําไปเขาว่าเราไม่ปกติเขาว่าเราของเขาเราไม่เหมือนเขาเ้าก็เลยว่าเราไม่ปกติจริงเราก็เป็นปกติแบบของเราเขาก็เป็นแบบปกติแบบของเขาเท่ น, นี้เขาไม่เป็นปัญหาอะไรในที่เราไม่ไปทําอะไรให้ใครเสียหายเดือดร้อนก็เขว่าเราก็ทําเราก็ทำถูกต้องนะค่ย okay. คุณล้าสอบคำถาม ถามต่อไปจากคุณเดมโซยูนิตี้พระอรหันยังมีวิตกวิจารปิติสุขไหมครับพระอรหานต์ท่านไม่มีกิเลสนะท่านก็ยังชิดได้ยังเติดยังตรองอะไรของท่า น, นได้นะท่านได้มีความโลภความโกรธความหลงท่านเติดตรองแล้วเติดตรองได้ไหมด้วยใจที่เป็นกลางคำถามต่อไปจากคุณแจ็คผู้ปฏิบัติ แล้วมีสายฟ้ามาวนรอบตัวคืออะไรครับมีไหมครับสาธุครับก็ไม่ไม่รู้นะไม่เคยเห็นนะรู้จะตอบยังไงคำถามต่อไปจากคุณตันโทรกราบนมัสการพระอาจารย์ขอรับอยากถามพระอาจารย์ครับว่ารักโลภโกรธหลงทุกคนมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับคิดดีหรือคิดไม่ดี ทุกคนมีอาการนี้ไหมครับ<ม>กระผมยังเว้น่างเว้นพุทธเจาบ้าหลานที่นี้มีไม่ในธรรมนอกความกดความนแลงนั่น ก, ก, ก็ไม่บวทุกคนกระผมเห็นอาการเหล่านี้ครับและเห็นชัดตลอดครับขนาดตั้งสติจึงสงสัยว่ารักโลภโลกรธหลงนี้คิดดีคิดไม่ดีไม่ใช่ตัวของกระผมเพราะมันไม่เที่ยงสักอย่างรักก็ไม่อยู่ตลอด โลภโกรธหลงก็ไม่อยู่แล้วจะยุดตัวไหนครับหาตัวตนของผมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแบบนี้ต้องทำอย่างไรครับก็หยุดคิดงหยุดนอกหยุกดกอหยุดหลงไมู่้เฉยเฉยถามต่อไปจากคุณเพลนวลีเมือ่อสองถึงสามวันก่อนตื่นเข้าห้องน้ำแล้วหลับต่อไม่ได้เลยนั่งสมาธิบนเตียงพิงกับหัวเตียง ปรากฏว่าจิตโล่งโปร่งสบายตั้งแต่ตีสี่สภาพแวดล้อมเงียบจิตก็สงบดีจนได้ยินเสียงนกร้องและทอล้องร้องจึงออกจากสมาธิรู้สึกเจ็บที่ก้นกบขยับลุกก็เป็นปกติตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นและควรทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะเราทำอย่างที่ทำต่อไปเคยทำอย่งไรก็ทต่อไป คำถามต่อไปจากคุณพรพันธ์กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะจิตมีความรู้สึกเบื่อเบื่อการทํางานไม่ว่าจะได้เงินน้อยหรือมากไม่อยากจะทําอ่านหนังสือก็อ่านไม่รู้เรื่องจะอ่านให้รู้เรื่องก็มึนไม่อยากอ่านไปทํางานก็ไม่อยากทําอยากจะร้องไห้ดูสิ่งที่เคยชอบก็ไม่อยากดูเบื่อ ดูไม่รู้เรื่องฟังเพลงก็เบื่อไม่อยากฟังต้องทําอย่างไรเจ้าคะแล้วเอามาทําสมาธิฝึกสมาธินั่งทักสมาธิฝึกสติควบคุมปิตใจควบคุมความเบื่อตอนนี้จิตไม่มีสติไหวให้ไหวใทิ้งปูแต่ไหว้ทิดงไปในทางความเบื่อนี้องต้องหยุดมันด้วยการทึกสติพุทโธพุทโธหรือสวดมนต์แล้วก็มานั่งสมาธิ แล้วพอจิตส ง, งบอาการเบรื่อต่างๆนี่ก็จะหายไปยคุณาราหน้าวาดีกลับมาใหม่แนละ้วเชิญครั้งหนึงนารากดีจะผู้ ด, ดูได้ตับนมามัสการพระอาจารย์ค่ะดได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนนะทำยังไงคะใช้เครื่องลูกชายค่ ะ, ขะเาขาจะใช้โปรแกรมซูมเรียนหนังสือออนไลน์ อ, อ๋อ ใช่ไดแล้วอาจมีคําถามอะไรไหมหรือที่ไหนพอดีหนูอยู่กรุงเทพค่ะเข้ามามครั้งแรกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าฟังคล<ม>ิปมาเรื่อยๆค่ะจะสอบถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิอะค่ะคือเออเวลานั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วรู้สึกขาชาเป็นเน็บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมาค่ะแล้วมันก็จะไปต่อไม่ได้อ่ะค่ะ เราไม่เป็นไายหลักเป็อาการปกติของร่างกายนั่งไปถ้ามันไม่ได้ขยับไปเรื่อยมันก็จะชามากจะเจ็บบ้างเดี๋ยวมันก็หายเองไม่่าเวลาเลิกจากการนั่งสมาธิมันก็จะหาย เ, เยวลามันเป็นเราอย่าไปสนใจเพราะมันจะทําให้เราเสียสมาธิถ้าเราถ้าเราบริกรรมพุทโธแล้วดูลงหมย ใ, ใจตอบไปอย่าไปสนใจกับว่าถ้าชาทางร่างกายอ๋อคือเราจะกลัวว่าเออเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะไม่ได้หรอม่อคนนั่งสมาธิใจยากอ่อ๋อค่ะแค่นี้ค่ะค่ะอาจารย์เวลามันเจ็บมันชาปล่อยมไปมันเป็นธรรมชาติของร่างกายนั่งอยู่แล้วตั้งมันก็จะเจ็บชาชาพอเราไม่ไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็มันก็หายไปเรื่อเวลาเราเล่าจัดการนั่งสมาธิมันก็ยากอ๋อแล้วแล้วพอเวลาเรานั่งไปนานๆนะคะแล้วเราเลิกนั่งสมาธิลกขามันขยับไม่ค่อยได้อะค่ะ เพาใหม่ๆมันก็อย่างนั้นก็ใช้เวลาหน่อยขยันยืดนส้นยืดสายยืดแขนยืดขาวไปแล้วเดี๋ยวให้นิ่นิ่งมันไหลเวียนนิ่งมันก็มันเป็นประการอ๋อค่ะเป็นประดานเลค่ะเข้าใจแล้วค่ะจะไปปฏิบัติขาอาจารย์่าทุ่งจ้าขอบพระคุณค่ะยังกลับไปที่คุณล้าต่อเชิคุณล้าคำถามต่อไปจากคุณยอดธง ผมภาวนาเห็นพระไตรักษณมันเกิดเองมันว่าของมันเองอย่างนี้เป็นมรรคหรือผลครับขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยขอรับก็เห็นใจรักก็เป็นมรรคถ้าปล่อยวางสิ่งนี้เห็นว่าเป็นใจรักได้ก็เป็นผลหรือถ้าเราดับความทุกข์ได้มันก็เป็นผลถ้าเราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่นี้เราพอเห็นว่าเป็นใจรักแล้วเราก็ปล่อยเรื่องนั้นได้ความทุกข์ที่เราทุกข์กับเรื่องนั้น้็หายไปก็เป็นผล น, นการาเหตุการณเฉยๆนีย่ยังไม่เป็นผลเ ป, นเป็นเหตุเป็นปรรัญญาที่จะต้องเอาไปใช้ดับความถุกต่อไปคำถามต่อไปจากคุณก้าต่อไปเดินต่อไปมีทั้งหมดสามคำถามค่ะคำถามแรกธรรมะคืออะไรครับธรรมะ ม, มันมีหลายข้อหมายวามหมายแรกก็คือคำสอนคำสอนของพระพุทเจ้าไมา่ว่าธรรมะ เราวก็ทำหน้ า, า, มมาที่ทั่วไปกหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราเรียกเป็นธรรมเป็นธรรมร่างกายเราก็เป็นธรรมะอย่างหนึง่งจิตใจเราก็เป็นธรรมะอย่างหนึง่งความรู้สึกนึกคิดก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งคำถามที่สองสติคืออะไรครับสติการาเอการและนึกรู้อยู่ว่าเรากําลังทําอะไรคำถามที่สาม ทำทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่มีคำกล่าวว่าใช้สติบังคับอารมณ์บ้างไม่ให้โกรธบ้างแบบนี้ขัดกับคำว่าอนัตตาไหมครับไม่ขัดหรอกเพราะว่าบางทีครับ็ควบคุมได้แต่เราไม่สามารถควบคุมก็ได้ทุกเวลานาุกที่งเวลาก็ควบคุมขาไม่ได้บงเวลาก็อยางพอควบคุมได้ก็ควบคุมไป แล้วเมื่อวันในที่สุดมันจะมันก็จะอยู่ในขั้นที่เราก็ควบคุมไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณบุญชูขอแบ่งเป็นสองคำถามค่ะลบกวรถามครับเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกเป็นอารมณ์เดียวแต่มีความคิดเข้ามาแทรกบ้างเป็นบางครั้งคราวถือว่าใช้ได้ไหมครับก็ยังไม่สบบงบเต็มที่บบถ้าสงบเต็มที่ก็จะไม่มีอะไรเข้ามาแทรกเลย ก็นำพยายามดูลงต่อไปแล้วพูดทอดต่อไปอยากคุยคําถามต่อไปอยากรู้ว่าเอกคตากับอุเบกขาเป็นตัวเดียวกันไหมครับในเวลาตัวแต่อยู่ที่เดียวกันนี่เอกขตาก็คืออารมณ์เดียวสักแตว่ ว, ว่ารู้อุเบกขาก็คือิปล่อยวางไม่รักไม่ชังไม่โกงไม่หลงถามต่อไปจากคุณโมดิก้า กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะจะทําอย่างไรคะลูกชายเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่ไม่คิดหางานทําเล่นแต่เกมคอมพิวเตอร์ทั้งวันและกลางคืนไม่หลับไม่นอนพอคุยกับเขาเรื่องหางานทําเขาก็จะโมโหเจ้าค่ะไม่ยากให้ข้าวเกินได้บอให้บอกว่าให้ข้าวเองกินอย่ให้เงนเขใช้เดี๋ยจะกินข้าวให้ออกไปหาข้าวกินเอง ว่าถ้าไม่ไปเนหัดหาธรามะกินต่อไปพ่อแม่ก็อยู่ก็จะลำบากคำถามต่อไปจากคุณอนุสอ์ขอโอกาสขอรับการปิดวาจานอมนําปฏิบัติเช่นไรถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาและอนิสงส์เป็นเช่นไรขอรับโดยการปิดวาจานี้ให้เปิดน่นในเรืคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่ดีเปิดได้ คำพูดที่ไม่ดีก็เจอเช่นพูดบทนี้ใปิดคําพูดนี้พูดเพ้อเจะพูดคําหยาพูดจอดเสียนี่เป็นวาจาที่เราควรจะปิดเพรปล่อยออกมาแล้วมันไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนแตคําพูดที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นเป็นธรรมะอย่างนี้เป็นเรื่อเป็นวิชาการ นี่เป็นความพูดที่ประกอบด้วยความเมตตาพูดไปแล้วคนยเขาฟังแล้วก็มีความสุขอันนี้ก็ไม่ต้องปิดเปิดได้ปิดแต่จะพูดเพราะคำพูดที่พูดไปแล้วทำให้คนเลยเขาทุกข์เสียหายเดืนอดน้อนคำถามต่อไปจากคุณวัสุการสอบถา ม, มพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเวลานั่งสมาธิพอหลับตาเหมือนมีมเมฆหมอกวนเวียนเต็มไปหมด แบบนี้เรียกว่าจิตกรุงแต่งใช่ไหมเจ้าคะก็จิตยังไม่สงบว่าปงแต่งไปตามต่อสาของไปเราต้องให้มีอะไรมาควบคุมนั่พุโทโธพุโทโธดูดลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะว่างคำถามต่อไปจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับความหมายแท้จริงของคำว่ามานะเป็นเช่นไรครับ มันน่าเราขาดถือตัวในทางธรรมะนะมันน่าก็เกิดการถือตัวถือว่าเราดีกับเขาเลวกว่าเขาหรือเท่าเขาเป็นการถือตัวคตามจริงเราไม่มีตัวที่จะถือตัวที่ถือนี่เป็นแค่ตัวรู้เป็นผู้รู้ศักด์แต่ว่าเราท่านนี้คำถามต่อไปจากคุณอรุณรัตเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิ ผมไม่สามารถคลองสติและสัมปชัญญะได้นานและกำหนดรู้ความคิดและภาพที่เห็นไม่ทันผมควรทำอย่างไรครับก็ต้องมาฝึกสติให้มากขึ้นแลวไม่ต้องไปกำหนดตามภาพที่ปรากฏให้อยู่กับละมายใจไม่อยู่กับพุทโทไปเพียงอย่างเดียวเวลานั่งสมาธิต้องการให้ใจสงบน่คำถามสุดท้ายจากคุณจันโท เมื่อสักครู่กระผมได้ฟังพระอาจารย์ตอบคําถามครับแล้วเกิดปิติควรยินดีกับปิติไหมครับควรทําอย่างไรครับก็พินจารณาว่ามันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปพิปนจารณาว่าเป็นใจระดับไปหมดแล้วใช่ไหมทีเจ้าค่ะมีผู้ป่าเพิ่งเข้ามาใช่ผู้ป่าได้ยินแม่ผู้ป่า อนามัสการค่ะฮะครบแล้วยังะครบค่ะเจ๊ม า, มาแล้วมังกรลูกมาแล้วเพิ่งส ว, มสวมดมนต์ทสวดมนต์เสร็จช้าก็เลยได้ดีไปสวดแล้วใจจะสบายเดีวนอนหลับฝันดีนะมาลูกมาล้วมังกรพร้อมกันมันูแมกเามาเข้เข้ามาลูก กันโออโอเคสบายดีกันทุกคนนะสบายดีจ้าทำการบ้านแล้วทำนะคะกำลังทำอยู่ค่ ะ, ค ะ, คะอะ่าเรียกทำหน้ามันเด็กนเกือบจห้าทุ่มนะเนี้น ตั้งใจเรียนนเสขยันหมั่นเพียรช่วยคุณแม่ทางานบ้านนะช่วยกันแกะช่วยกันกว่าช่วยกันถุงช่วยกันทำอะไรทาได้ช่วยกันทำอ ย, อยู่เฉยๆครับนะขัะน้การท่นนะเด็กนะเดี๋ยวนู้นนนตาตงไปนะ บ, ะบให้หนให้หอายุเกินร้อยยี่สิบปีนะคะ ก็เวเรียนเก่งๆนะ่าทุกคนดีีนะว่ามีใครอยากจะถามอีก่ไหมเนี่ยคุณตุ๊กติ๊กเนีย่ยหามาื่อไห็นเข้ามาแล้ว่าถ้าไม่ไม่ถามก็ไม่เป็นไรบอกว้าไม่มาเหรอมีมีเฟซบุ๊กอีกหนึ่งทางถามกันทางนั้น คิดว่จะถ่ายให้พี่นดูว่าสีาอารู <S <S <S, いい้ถามชิยกเมงไหวแล้วล uh ูกมงขึ้นเลยลูกไม่ยกแต่ไม่ได้นะลูกลูาใม่ไม่ใช่ล่กไหม่มีคำถามลูกมมงขึ้นถมเลยถามได้เลยตอนนี้ยังไม่โอ๊ยขอโทษคำไม่ได้ปิดไม่่ะคะใชยังไม่ได้ปิดไม่หมายมาถามเลยค่ะนึก็ปิดไม่เจอพิมพ์ใครน่ะ นำเยอะมัวน้ำากขึ้นถามเลยเจ้าไม่มถา ม, มถามไว้ลูกค่ะพี่มีถามมาว่าว่าว่าถ้าบวชเกินกี่ครั้งจะบ้าเหรอค ะ, อะไม่บ้าหรอกบวชกี่ครั้งก็ได้แต่ทาที่ดีบวชครั้งเดียวดีกว่าบวชหลายครัง้งแสดงว่าใจไม่ใจไม่หนักแน่น เปลี่ยนไปเปลี่ยนเราโลเลบวชได้สักสามเดือนก็คิดถึงแฟนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็เสร็จกลับมาลองกลับไปเจอพ่อเจอแม่สัาบ้ก็เหมืออพ่อเหมื่อแม่เหบื่อแฟ น, น, นต้องกลับมาบวชนี่แต่ว่าใจโลเลแล้วไปไม่ถึงไหนเหมือนเดินเดินเก้าหน้าสามเก้าเดินถอยหลังสามเก้าก็อยู่กับที่บวชแล้วก็ต้องไม่สึ็เลยบวชแล้วก็ไปเลย พาใจนะนัต่อไปท่านหนูจะบวชชีก็บวชเลยอยะาอย่าอย่าสึกนะพอใจไหมไม่เป็นบ้าหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่มันไม่ก้าวหน้านอยู่มันอยู่กับที่นะะโอเคฮนะที่อบอกมีมีคำถามจากเฟ่นรวกเหรอคะมีหนึ่งคำถามเจ้าค่าะเอาเลยเดี๋ยวจะต้องสรุปนะทีนี้จากคุณยุทธ กลับนมัสการครับผมนั่งสมาธิรู้สึกว่านิ่งพอนิ่งแล้วหูจะได้ยินเสียงเหมือนมแมลงจิ้งหรีดร้องจะให้ฟังเสียงหรือจะทําให้นิ่งต่อครับถ้าไม่นิ่งต่อไปไม่ต้องไปสนใจกับเสียงที่เกิดขึ้นรักษาความนิ่งของใจไว้ด้วยการใช้สติหรือว่าใช้พุโทโธหรือใช้การดูลมหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้มีใครอยากจะถามหไหมไหมเวลาอีกนิดหนึ่ง ประมาณทันห้าโมนะถอีกแต่ห้าทุ่ม้ามีก็ยกมือขึ้นจะได้ปวดใหมให่ไม่มีนะถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรเกิดเวลาก็ ข, าขอให้ท่านจงงทำเอาสิ่ง ต, ต่างที่ท่านได้ยินได้ฟาในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ ข้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิ